อ่ะวันนี้เรามาพบกันเป็นการมาพูดกับเด็กๆหัวข้อที่พ่อยอดได้ติดต่อเอาไว้หัวข้อคือชื่อว่าพระมหาชนก รู้จักไหมรู้จักรู้จักเหรอลู้จักที่ไหนเอยอ๋อที่เคยเรียนอ๋อไม่เคยเจอตัวใช่ไหมไม่เคยเจออ๋อแต่เคยได้ยินชื่ออ้าเหมือนกัน <c oughs> จะเรียกว่าอะไรหลวงพ่อหลว ง, งพ่อก็ไม่เคยเห็นเหมือนกันได้แต่อ่านทีนี้พระมหาชนกเนี่ยนะมีสองเวอร์ชั่นรู้จักเวอร์ชั่นไหมมีสองฉบับมีสองฉบับ ฉบับในหลวงกับฉบับที่เป็นมาจากพระไตรปิฎกฉบับไหนเก่ากว่ากันวงเก่งมากพระไตรปิฎกในเป็นต้นฉบับต่อมาในหลวงเนี่ยเมื่อมาฟังฟังธรรมของพระเถระท่านเล่าถึงเรื่องพระหมหาชนกก็มานึกถึงว่าน่าจะมีการ ต่อเติมอีกสักหน่อยหนึ่งเพื่อให้เหมาะกับคนไทยอันนี้หลวงพ่อจะมาเล่าเรื่องพระมหาชนกพระมหาชนกเนี่ยนะทั้งสองเวอร์ชันเนี่ยทั้งสองฉบับเนี่ยนะตอนต้นเนี่ยจะเหมือนกันเพราะนั้นเล่าตอนต้นไปเนยนะเดี๋ยวจะบอกว่ามันจะมีท่อนแยกตรงไหนมันคล้ายๆเป็นเป็นเพลงแล้วมีท่อนแยกด้วยนะพระมหาชนก ชื่อเนี่ยนะชื่อซ้ํากันสององค์องค์แรกองค์แรกเป็นปู่ใช่ไหมเป็นปู่ปู่มีลูกลูกนี่เป็นรุ่นรุ่นพ่อกับรุ่นรุ่นอาพ่อของพระมหาชนกที่เป็นพระโพธิสัตว์เนี่ยชื่อพระอริทธชนกพระอระอิทธชนกมีน้องชายชื่อโปร า, าชนกพอพระมหาชนกผู้ผเป็นปู่ เขาเรียกอะไรสวรรคคตใครจะขึ้นคลองราดแทนพระอริธาชนโก็มาขึ้นคลองราดแล้วองค์น้องก็มาเป็นอุปราชนี่อุปราชอุปราชคือราชาองค์รององค์รองอุปะนี่เป็นใกล้ๆใกล้ๆจะเป็นราชาละแต่ยังไม่ใช่ราชาราชาก็คือองค์ที่ขึ้นคลองราดทีนี้ก็มีอัามาศ ที่เจ้าเล่ mm hmm. เห็นว่าพระโปโละชนกเนี่ยเป็นที่รักของประชาชนทําให้หากินยากแล้วไม่เป็นที่รักธรรมดาเป็นที่รักที่ซื่อสัตย์ด้วยทํางานซื่อสัตย์ซื่อตรงฉลาดทํำยังไงที่จะกําจัดคนฉลาดคนนี้ออกจากเส้นทางทํามาหากินของตัวเองใช้วิธียังไงฮะไม่ใช่ลอบปมประชชน เป่าหูนะไหนใครอย่างนี้ปะเป่าหูคือเป่าไม่ใช่อย่างนี้เป่าหูคือกราบทูลกราบทูลเรื่องที่ไม่เป็นความจริงนะกราบทูลเรื่องที่ไม่เป็นความจริงกับพระโประชนพระอริทธชนกนะขออภยัยเวลาเราเวลาเราพูดเรื่องไม่จริงหรือแม้แต่เรื่องจริง เพื่อให้พี่น้องที่รักกันแตกแยกกันเนี่ยเขาเรียกว่าคำคำอย่างนี้เขาเรียกว่าคําอะไรเป็นอเอาง่ายง่ายก่อนคําอย่างนี้นะเป็นคําวจีทุจริตใช่ไหม <S <S เป็นมันมีวจีสุจริตกับวจีทุจริตคําพูดให้คนที่รักกันแตกแยกกันเนี่ยเป็นวจีทุจริตอย่างหนึ่งวจีทุจริตวทีขออภัยวจีทุจริตเนี่ยมีอยู่สอย่างมีคําโกหก คำโกโหกเนี่ยเป็นวัจีทุจริ ต, ตยอย่างหนึ่งนะอย่างที่สองคือคำส่อเสียดอย่างที่สามคือคำหยาบอย่างที่สี่คือคำเพ้อเจอ้อคำพูดที่ให้คนรักกันแตกแยกกันเนี่ยเป็นข้อไหนข้อโกอโกหกข้อขอส่อเสียดข้อคอคำหยาบข้องอเพ้อเจอ้ออ้าเดี๋ยวเดอย่าเพิ่งอย่าอย่าไม่ไม่เอาไม่เอาส่งเสียงเดี๋ยวเราใช้ใช้ยกมือใครตอบข้อโกอยกมือ ใครตอบข้อขอยกมือใครตอบข้อคอยกมือใครตอบข้องอยกมือโอนี่นี่พอดีขออภยัยคำถามมันกำกวงไปนิดนึงแต่ผิดแน่ๆเป็นแน่ๆเลยคือเป็นข้อสองเป็นคำส่อเสียดคำส่อเสียดหมายถึงว่าคำที่ทําให้คนแตกแยกกันแตกสามัคคีกัน แต่ถ้าคำส่อเสียดนั้นโกหกด้วยก็ผิดสองข้อสองกระทงเข้าใจไหมเป็นทั้งโกหกแล้วก็ส่อเสียดด้วยแล้วถ้าทําคําโกหกส่อเสียดด้วยนั้นเป็นคําหยาดด้วยผิดสามกระทงนะ <c oughs> สี่ในคําคำเพ้อเจ้อเนี่ย ค, ค, คือคําที่ไม่มีประโยชน์คําพูดที่ไม่มีประโยชน์ <c oughs> เคยพูดไหมคําทึกพูดที่ไม่มีประโยชน์สมมุติว่าครูครูสอนอยู่ที่ห้องอยู่ห น, น้าห้องเนี่ยนะ นักเรียนคุยกันน่ยขณะนั้นเป็นคําไม่มีประโยชน์เพราะว่าคําที่มีประโยชน์เนี่ยเป็นคําที่ครูจะสอนอยู่ขณะนั้นเราควรจะตั้งใจฟังใช่ไหมถ้าเราคุยกันเองเนี่ยนะคำที่คุยกันเองเนี่ยไม่เป็นประโยชน์เข้าใจไหมเป็นคําเพ้อเจ่อชวนชวนเพื่อนเพ้อเจ่อชวนเพื่อนเสียสมาธิจากการเรียนอย่างเงี้ยเรียกว่าทำวจีทุจริตเป็นอกุศลนะเป็นอกุศลดังนั้นถ้ารู้ว่ามันเป็นอกุศลไม่ทํา ทนะีนี้อัมมาตคนที่คนที่มาทำให้พี่น้องแตกแยกกันเนี่ยปั้นเรื่องโกหกในหนึ่งกระทงแล้วนะเปนร่งโกหกและมีวัตถุประสงค์เพื่อที่จะให้พี่น้องเนี่ยแตกแยกกันเป็นการส่อเสียดวัตถุประสงค์เพื่อที่จะกําจัดพระโรลชนกให้ออกไปมีวัตถุประสงค์ถึงขนาดที่ว่าฆ่าให้ตายก็เอานี้มีวัตถุประสงค์จะผิดศีลข้อหนึ่งด้วย โอ้ห oh, ร้ายกาศไหมร้ายกาศไหมแค่โกรธว่าพระโปลรัรชนกเนี่ยขัดขวางทางทํามาหากินของตัวเองขัดลาบขัดลาบรู้จักรลาบไหมลาบแปลว่าฮะไม่ใช่ลาบแปลว่ า, า, วาสิ่งที่สิ่งที่จะได้รับมาไม่ใช่ไม่ใช่ของกินไอ้นั่นลาบในที่นี้ลอลิงสลาอาพอสมเพาลาบนะ ลาบ ค, คู่กับเสื่อมลาบอาไอลาบที่กินอ่ะรอลิงสาะอาบอใบไม้ตกลงเป่าหูเป่าหูนานๆเนี่ยทีแรกก็ไม่เชื่อพอเป่าหูนานๆก็ชักสงสยัยชักระแวงถ้าเราไม่มั่นใจในคุณธรรมของตัวเองหรือไม่มั่นใจในคุณธรรมของบุคคลอื่นเนี่ยนะเวลาเราถูก เป่าหูหมายถึงว่าถูกคนอื่นมาพูดในในแง่ไม่ดีเราก็จะหวั่นไหวพระอริธาชนกก็หวั่นไหวเคยได้ยินสำนวนไทยอันนึงไหมว่าเอาเสาแปดหล่อเอเอาเสาแปดสอกตอกเป็นหลักคนไปผลักมาผลักหลักยังไหวเคยได้ยินไหมเคยได้ยินไหมไม่เคยเหรออา้าวนี่ถือว่าเป็นครั้งแรกก็แล้วกันคือแม้แต่เสาที่เอามาปักเอาไว้ ให้มั่นคงเนยนะให้คนตื่นเช้ามาก็ผักทีหนึ่งคนในเมืองเนี่ยคนโรงเรียนนี้ก็ได้เช้ามาก็ผักทีนึงเช้ามาผักทีนึงทุกคนเย็นมาก็ผักทีนึงผักทีหนึ่งทุกคนไม่นานเดี๋ยวเสานั้นจะคลอนเสานั้นจะคลอ น, น, น, จ, ะอนจะเคลื่อนคนที่จิตใจไม่หนักแน่นมีคนมาเป่าหูคือมีคนมาให้ข้อมูลผิดผิดอยู่เรื่อยเรื่อย ก็เป็นเหตุให้จิตใจหวั่นไหวเหมือนกันก็เริ่มระแวงน้องชายน้น้องชายเป็นที่รักของประชาชนก็มองว่าเนี่ยกาลังกาลังอะไรอะรวบรวมกำลังกองกำลังเพื่อที่จะคิดยึดราชสมบัติก็เลยจับจับมาขังไม่ใช่ขังธรรมดาขังแล้วก็มีโซ่ตรวนด้วยวิธีที่ที่พระโปราชนก หลุดจากห้องขังทำยังไงสัจจาทิฏฐานสัจจะทิฏฐานว่าถ้าข้าพเจ้าคิดร้ายกับพี่ก็ขอให้เครื่องจองจําเนี่ยจองจําต่อไปประตูจงปิดต่อไปแต่ถ้าข้าพเจ้าไม่เคยคิดร้ายกับพี่ชายเลยขอให้เครื่องจองจํานี้หลุดออกแล้วก็ให้ประตูเปิดด้วยสรุปแล้วตั้งสัจจะทิฏฐานนี้แล้วเป็นยังไงผล ประตูเปิดแล้วก็เครื่องจองจำหลุดด้วยพอหลุดไปแล้วก็ฮะออกมาต้องออกสิเปิดแล้วอุตส่าห์เปิดแล้วก็ต้องไปสิ <c oughs> จะอยู่ทำไมใช่ไหมไปไปคราวนี้ประชาชนทั้งหลายเนี่ยทราบข่าวว่าพระโปราชนกเนี่ยถูกถูกทำร้ายถูกใส่ความก็สงสารแล้วก็มาเข้าพวกพอมาเข้าพวกมากมากเข้าคราวนี้ก็เลย คิดใหม่เดิมเนี่ยไม่เคยคิดร้ายตอนนี้เริ่มคิดว่าพี่ชายเราเนี่ยน่าจะน่าจะออกจากตำแหน่งได้แล้วเราควรจะไปเป็นพระทาชาซะเองเพราะว่าพี่ชายเนี่ยคุณสมบัตรริไม่เหมาะสมแล้วเพราะว่าหูเบาก็เลยคิดที่จะรวบรวมกำลังพลแล้วก็มามาท้ า, าทีแรกมาท้าเนี่ยนะ ไม่ได้ตั้งใจขนา ด, ด้วยว่าจะจะมาฆ่าเพียงสงสารไปบอกว่าให้มอบราชสมบัติถ้ามอบราชสมบัติมาก็จะไม่มีสงครามนะถ้าไม่มอบราชสมบัติก็จะมีการสงครามคือมีการต่อสู้กันตกลงสู้แล้วไม่สู้สู้ตอนสู้เลยนะพระอริธาชนกเนี่ยสั่งเสียกับพระมเหสีสั่งเสียกับพระมเหสีว่าการรบกันเนี่ยการทะเลาะกันเนี่ยนะ คนทะเลาะกันเนี่ยมีแต่เรื่องเสื่อมเสียเหมือนคนสาดน้ำใส่กันคนสาดน้าใส่กันเนี่ยเปียกทั้งคู่เวลารบกันต่อสู้กันเนี่ยนะยเจ็บทั้งคู่ใช่หมเจ็บทั้งคู่ถ้าเจ็บมากก็ตายมีโอกาสที่ว่าจะจะเสียหายก็คือว่ามีการบาดเจ็บมีการล้มตายไม่ฝ่ายใดก็ฝ่ายหนึ่งตัวเองไม่ตายก็ เพื่อนเพื่อนทหารตายเพราะฉะนั้นการต่อสู้การสู้รบกันเนี่ยเป็นเรื่องที่สูญเสียมีแต่ความสูญเสียเหมือนที่ในหลวงเวลาตรัสถึงคราวที่บ้านเมืองมีวิกฤตทะเลาะกันเองคนทะเลาะกันเองทะเลาะกันเองไปแล้วเนี่ยในหลวงตรัสว่าจะทะเลาะไปทําไมถ้าคนชนะชนะอยู่บนกองซากปลักหักพังใช่ไหมคนไทยทะเลาะกันเอง คนชนะมายืนภูมิใจว่าชนะแต่แต่ยืนบนกองกองสลักปักพังคือกองที่กองกระดู ก, กองบ้านเมืองที่ไม่ไม่เป็นชิ้นดีอะการทะเลาะกันเองไม่ควรมีท่านให้ให้สติกับคนที่คนไทยที่กําลังทะเลาะกันเช่นเดียวกันแต่ว่าเรื่องตอนเนี้ยพี่น้องกําลังกําลังทําสงครามกานันเลยนะมันห้ามกันไม่ได้ไม่มีใครห้ามไม่มีคนเป็นคนกลางมาคอยให้สติ ก็เลยมีการรบกันพระอริธาชนกสั่งเสียกับพระมเมห์สีว่าถ้าแพ้คือสิ้นชีวิตให้พระมเมห์ีเนี่ยหนีออกจากราชวังตอนนั้นพระมเมห์ีกำลังท้องตั้งท้องตั้งคันก็เตรียมพระเมห์ีก็เตรีย ม, พ ม, เ, เ, ยมเพราะว่าเหตุการณ์ไม่แน่ว่าจะออกทางไหนว่าจะเป็นชนะหรือจะแพ้สรุปแล้วใครชนะ พระโปลชนกชนะพระอาิตฐาชนกสิ้นพระชนในสนามรบข่าวมาแล้วว่าพระอาิตฐาชนกสิ้นพระชนพระมเหสีก็จัดแจงเปลี่ยนเครื่องแต่งกายใหม่ปลอมตัวปลอมตัวเป็นหญิงชาวบ้านแล้วก็เล็ดลอดออกนอกกำแพงวงังไปไหนโอ้เก่งจังเลยสอนมาดีตมาจง จำยากเลยนะคำศัพท์พวกนี้นะกาละจมปากะอยู่ที่ไหนฮะทางทิศอุดร อ, อุดอ ร, ดรนี่อ ย, อยู่ก่อนขอนแก่นหรือหลังขอนแก่น <laughs> ทิศเหนืออุดอรแปลว่าทิศเหนืออยู่ทิศอุดอรแต่ไม่เคยไปได้ยินชื่อคราวนี้ ร้อนถึงพระอินทรู้จักพระอินไหมพระอินคือเทวดาชั้นฮะชั้นไหนเรียกชั้นชั้นอะไรดาวดึงอชั้นดาวดึงนี่พอเจอเด็กนี่ชักงงมึงเลยเนี่ยชักนึกไม่ออกแล้วชั้นดาวดึงเป็นเป็นหัวหน้าเทวดาชั้นดาวดึงเห็นความเดือดร้อน คนนี้คนเดือดร้อนเนี่ยไม่ใช่คนธรรมดาเป็นแม่ของพระโพธิสัตว์เด็กที่อยู่ในท้องเนี่ยไม่ใช่เด็กธรรมดาเป็นเด็กที่มีบุญมากกำลังจะเกิดมาเพื่อสร้างบา ร, รมีเป็นพระพุทธเจ้าเรียกคนแบบนี้ว่าพระโพธิสัตว์ทีนี้พระโพธิสัตว์กำลังเดือดร้อนเพราะอยู่ในท้องของแม่ที่กำลังหนีออกจากสงคราม พระอินเห็นแล้วไม่ใช่เห็นล่ะจริงๆยังไม่เห็นทีแรกนะยังไม่รู้ตัวพระอินททีแรกยังไม่รู้ตัวแต่รู้ตัวเพราะว่าอะไรบันลังร้อนเนี่ยมันเหมือนนั่งอยู่เนี่ยนะแล้วก็ไฟลนก้นเนี่ยนะอยู่ไม่ได้ดก็เลยเอ๊ะดูแล้วเกิดอะไรขึ้นต้องมีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นมาก็ส่งทิพพระเนี่คือจักสุที่เป็นทิพตาทิพของเทวดามาดูพบว่าแม่ของพระโพธิสัตว์ กำลังเดือดร้อนก็เลยลงมาช่วยช่วยด้วยวิธีไหนแปลงกายแอนแอนแปลงกายเป็นพรามชรามาถามว่ามีใครต้องการไปเมืองกาลจัมปากะบ้างต้องทำเสียงแก่ๆด้วยมีใครต้องการไปเมืองกากละจัมกาเออกาละจัมปากะบ้างยังแก่แกไม่พอนะ ไม่ต้องปรบมือ <laughs> อ๋อบอกไม่ต้องปรบมือเลยปรอบใหญ่เลย <laughs> <laughs> ตกลงใครยกมือใครต้องการไปเมืองกาลจัมปากะพระเทวีบอก โ, อโฮสถูกใจมากเลยกำลังคิดว่าจะไปกาลจัมปากะยังไงมีรถเมย์มาพอดีเอ๊ะไม่ใช่มีอะไรมีกวียนตกลง ขึ้นง่ายเกวนจริงๆมันสูงนะขึ้นยากแต่นี้หญิงท้องธรรมดาเนี่ยขึ้นยากบุญบารมีนะทําให้ดินนะ่ยนูนขึ้นมาแล้วพระองค์ก็เลยขึ้นง่ายๆทีนี้พอขึ้นไปแล้วพระนางก็ด้วยความอ่อนเพลียก็หลับไปพระอินทร์ก็เดินทางถึงเส้นทางนั้นนะ่ะถ้าคนปกติเดินทางเนี่ย น, นะใช้เวลาหลายวันใช้เวลาประมาณสักหกเจ็ดวัน แต่คราวนั้นเนี่ยเย็นก็ถึงเลยถึงในวันนั้นเลยพระเทวีตื่นขึ้นมาพรามที่เป็นเท้าสักกะที่แปลงกายมาบอกว่าถึงแล้วกจัมปา ก, กาละจัมปากะพระเทวีเลยสงสัยปกติคนเดินทางต้องใช้เวลาถึงหกเจ็ดวันทำไมคราวนี้มามอเตอร์เวย์หรือไงถ้ามามอเตอร์เวย์เนี่ยต้องระวังนะโดนถ่ายรูปหรือเปล่า ทำความเร็วเกินกําหนดหรือเปล่าท้าสักกะพราหมณ์เท่าที่แปลงกายมานะ่ะบอกว่าลุงรู้ทางลัดคนทั่วๆไปที่เขามากันเจ็ดวันเขาไม่รู้ทางลัดลุงรู้ทางลัดก็โอเคโอเคมาถึงแล้วก็โอเคไม่เป็นไรอ้าวก็มาส่งที่ศาลาแล้วลุงเห็นว่าถึงทางถึงที่หมายปลายทางปลอดภัยแล้วก็ขอลา ลาไปไหนลากลับคือสวรรค์ <c oughs> แต่ไม่เห็นพ ร, พระเทวีไม่เห็นว่ามีการมีการมีทางอีกทางหนึ่งขึ้นสวรรค์ไปไม่แค่เห็นรับตาไปพระอินทร์มาทำหน้าที่ช่วยเหลือความช่วยเหลือเนี้ยมาโดยไม่ต้องขอคนดีไม่ต้องขอร้องเทวดาเข้าใจไหมเทวดาเห็นคนดีเดือดร้อนมาช่วยเองเคยขออะไรไหม <c oughs> เคยไปขอตาม ตามวัดไหมไปไหว้พระแล้วขอให้พระช่วยมีไหมไม่ต้องขอถ้าเทวดาเห็นว่าเราเป็นคนดีและกาลังเดือดร้อนเทวดาที่ดีจะมาช่วยเราเองนะถ้าเราเป็นคนไม่ดีแล้วไปขอเทวดาถ้ามาช่วย แ, แสดงว่าเทวดานั้นไม่ดีเคยไปขอให้สอบได้ไหมมีไมไม่เคยถ้าจะสอบได้เนี่ยสอบได้เอง เทวดาไม่ได้มาไม่ได้มาช่วยถ้าเทวดามาช่วยแล้วเราขี้เกียจนะเทวดานั้นไม่ดีนะมาสนับสนุนให้คนขี้เกียจแล้วยิ่งเรื่องนี้นะเรื่องพระมหาชนกเนี่ยเป็นเรื่องของคนขยันคนทําความเพียรเพียรอย่างไรเดี๋ยวเล่าต่อตกลงพระเทวีเป็นนั่งพักอยู่ที่ศาลาเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นมีพราหมณ์คนหนึ่งชื่ออะไรอตมายังจำเชื่อไม่ได้เลย ชื่ออะไรนะอุทิศจักรพามโอ้โ oh หแม่นจริงๆเลยอุทิศจพรพามเห็นเห็นพระเทวีแล้วเป็นคนแปลกหน้าแล้าดูรูปร่างลักษณะแล้วดูว ด, ดูดีแปลกหน้าแล้วมาอยู่ตรงนี้หน้าจะเดือดร้อนหรือมีเรื่องอะไรก็เลยให้ลูกศิษย์เนี่ยตอนนั้นกลังเดินทางมากับลูกศิษย์ให้ลูกศิษย์รอก่อนเดี๋ยวจะขอไปเข้าขอไปสอบถาม ถามไปถามมาทราบความจริงแล้วว่าเป็นพระมเหสีจากจากกรุงมิถิลาหนีสงครามมาก็เลยคิดจะอนุเคราะห์ก็เลยให้อุบายว่าให้พระเทวีจับเท้าร้องไห้แล้วบอกว่าเป็นพี่ชายร้องไห้ไว้เป็นพี่ชายพราหมณ์ก็เลยเรียกลูกศิษย์มาบอกว่านี่เป็นน้องสาวเราที่ไม่ได้เจอกันมานานแล้วคราวนี้มาเจอกันเพราะนั้นเดี๋ยวเราจะอุ้มชู เลี้ยงดูลูกสาวน้องสาวของเราพร้อมทั้งพร้อมทั้งเด็กในท้องด้วยเด็กโตขึ้นมาไม่ใช่เด็กคลอดออกมาพระเทวีตั้งชื่อว่า uh huh. มหาชน ก, ชนกเอาชื่อของปู่มาตั้งมหาชนกโตขึ้นมาเล่นกับเพื่อนเวลาเล่นกันเนี่ยนะเวลาทะเลาะ ก, กันเวลาออกแรงออกกําลังกันมหาชนกจะชนะแล้วกเ็เด็กเพื่อ น, เ, อนเนี่ย สู้ไม่ได้ก็จะร้องไห้แล้วก็จะชี้หน้าชี้หน้าดา่าคือสู้ไม่ได้ใช้คำพูดสู้ <c oughs> เคยไหมเคยเจอไหมเคยเป็นไหมว่าตัวเองสู้เขาไม่ได้แล้วด่าเขาว่าเป็นไหม <c oughs> <c oughs> อย่างนี้เหมือนกันเด็กเด็กที่เป็นเพื่อนพระมหาชนกเลยนะรุ่นเดียวกัน <c oughs> แต่ตัวเล็กกว่าสู้ไม่ได้สู้ไม่ได้ไไดใช้คำพูดคำพูดอะไรที่มันเราจะพูดให้เขาเจ็บใจก็พูดว่า ไอ้ลูกไม่มีพ่อ แ, แสบไหมแสบไหมแสบมากเลยนะพระมหาชนกไม่ด่ากลับพระมหาชนกไม่ด่ากลับเพียงแต่สงสัยว่าอ้า ว, รว เ, าเราไม่มีพ่อเหรอลกลับไปถามแม่กลับไปถามแม่ว่าแม่เพืพ่อนมันด่าว่าไม่มีพ่อเนี่ยจริงไหมเนี่ยมาถามก่อนนะเพื่อที่จะหาข้อมูลไปเถียงเถียงกับเพื่อนต่อ ยังไม่เถียงทันทีเพราะข้อมูลยังไม่แน่นต้องอย่างนี้นะเวลาจะเถียงอะไรกับใครต้องไปหาข้อมูลให้ดีก่อนนะไม่ใช่ไปเถียงลั่นไปเรื่อยๆพระมหาชนกเนี่ยกลับมาหาข้อมูลก่อนมาถามแม่แม่เขาหาว่าไม่มีพ่อเนี่ยจริงไหมพระเทวีก็ตอบว่าอ๋ออุทิศพรามไงเป็นพ่อของลูกนะพอพระมหาชนกรู้ข่าวนีไ้ได้ข้อมูลมาแล้วก็กลับไปเถียงกับเพื่อนใหม่แกว่าฉันไม่มีพ่อเหรอฉันมี เพื่อนก็ถามว่าไหนอะใครอุทิศพรามไงเ พ, พื่อนก็บอกว่านั่นไม่ใช่นั่นไม่ใช่พ่อแก้นะเพื่อนบอกว่าไม่ใช่จักสงสยัยถามแม่ใหม่กลับไปถามแม่คราวนี้ <c oughs> เพื่อให้ได้ความจริงวิธีวิธีเพื่อให้ได้ความจริงก็คือว่า <c oughs> ไปกินนมไปกินนมแม่นี่อดนมยังเนี่ยฮะ อดแล้วเหร อ, อแสดงว่าพระหมหาชนกนะนะตัวเล็กกว่าเราอีกอายุน้อยกว่าเรายังเป็นเด็กที่ต้องกินนมแม่อยู่อ่ะคราวนี้ไปกินนมแม่ขณะที่กินนมแม่ก็ถามถามใหม่แม่ปากปากก็ดูดนมไปนั่นแล้วก็พูดไปเรื่อยๆเป็นั้ยทำได้ไหม <c oughs> <c oughs> ไม่ยากไม่ยากไม่ยาก <c oughs> จะทำให้ดูก็ทำไม่ได้ <laughs> อ้าวดูดนมไปดูดนมไปแล้วถามแม่แม่ต้องทาเสียแม่ตกลงใครเป็นพ่อกันแน่เป็นพ่อของลูกกันแน่มแม่กบอกอ้าวอุทิะพรามไงตอบไปแล้ว <laughs> เพื่อนบอกไม่ใช <laughs> ขใ่ขอให้แม่บอกความจริงมาขอให้แม่บอกความจริงมาถ้าไม่บอกจะกัดนมไม่ปล่อย <laughs> อ แล้วก็กัดเลยกัดเลยนะกัดเ ม, ม้่เป็นนิดนึงกัดไม่แรงกัดพอให้รู้ว่ากัดจริงแม่ก็โอ้ยยายยย า, ย, า, ย, ายอมละยอมละบอกเขาบอกบอกความจริงตกลงบอกความจริงคือเป็นลูกของราอารพระอริธะชนกเล่าเหตุการณ์มาให้หมดเลยตอนนี้แม่เล่าเหตุการณ์เลยว่าเนี่ยเรื่องเป็นยังไงมายัางไงพ่อของลูกเป็นพระราชาไปรบแล้วก็แพ้สิ้นชีวิตไปก็เลยต้องหนีมา มีคนเกื้อนหนุนให้เดินทางมาที่เมืองนี้เจอพ่อที่จะพามแล้วก็เรียบเอ่ อ, าอามาเลี้ยงดูให้มาเป็นพี่ของแม่อะไรเงี้ยเล่าความจริงมารู้ความจริงนี้แล้วปล่อยพอปล่อยแล้วนะคราวนี้เพื่อนม า, ล, ามล้อไม่โกรธเลยมาล้อว่าเป็นไอ้ลูกไม่มีพ่อเฉยเพราะรู้ความจริงว่าตัวเองมีพ่อและพ่อเป็นพระราชาด้วยนะเวลาเราเราถูกใคร ล้อเลียนถูกใครล้อเลียนไม่ต้องโกรธคำล้อเลียนเป็นคำอาุศลของเขาเองคำด่าเป็นคำอาคุศลของคนพูดความจริงเป็นอย่างไรเรารู้กับใจของเราเข้าใจไหมเคยถูกคนด่าเคยไหมเคยหมยคำด่านั้นจริงหรือไม่จริงอีกเรื่องหนึง่งแต่เขาด่าเนี่ยเขาทำเวจีทุจริตไปแล้วเขาทาบาปแล้วเราถ้าโกรธด้วยเราจะมีบาปด้วยเข้าใจไหม เวลาคนด่ากันเราไม่ต้องไปร่วมด่าด้วยถ้าเราร่วมด่าด้วยนะเราจะผิดด้วยทำอย่างพร ะ, นะะมหาชนกนะพระมหาชนกเนี่ยเพื่อนด่ามาไม่ด่าตอบเพียงแต่สงสัยข้อมูลกลับหาข้อมูลมาถามแม่ถ้าเป็นเรื่องที่โรงเรียนยเพื่อนด่ามาอย่าไปด่าตอบสงสัยข้อมูลันนั้นกลับมาถามครูเข้าใจไหมอย่าไปเถียงกันด้วยอารมณ์โกรธ เถียงกับเองด้วยการโกรธนะไม่ได้ข้อมูลที่แท้จริงตอนนี้มาฉากสำคัญฉากสำคัญอา้าวถึงฉากสำคัญแล้วระวังให้ดีฉากสำคัญนะพระมหาชนกเนี่ยพอโตขึ้นมาก็บอกว่าขอทุนขอทุนคุณแม่ เพื่อที่จะไปทำการค้าขายเพื่อเตรียมทุนที่จะกลับมาที่กรุงมิถิลาไปทวงราชบัลลังก์<ม>ซึ่งเป็นกรรมสิทธิ์ของพ่อและตัวเองเป็นลูกเนี่ยนะอยากจะไปทวงสิทธิ์แต่จะไปเฉยๆเนี่ยตัวเปล่าเล่าเปลยอย่างเงี้ยไม่ได้ต้องไปหาทุนเพื่อที่เป็นเป็นอะไรเป็นต้นทุนไปก่อน ขอแม่ว่าแม่มีอะไรเป็นต้นทุนมีทรัพย์สมบัติอะไรบ้างแม่ก็บอกว่าเนี่ยก่อนออกจากวังมาเนียนะได้ได้รัตนะมาสามสามชิ้นเลือกเอาตกลงก็เลือกเอาฮะเป็นตราเป็นเป็นเครื่องบ่งบอกว่าเป็นสมบัติของพระราชาของเมืองนี้ก็ขอไปไม่หมดนะขอไปส่วนหนึ่งไปลงทุนก็ไปขอ โดยสารเรือของพ่อค้าไปค้าขายที่ที่ไหนที่สวรรณภูมิสวรรณภูมิอยู่ตรงไหนอยู่ไมประเทศไทยอยู่ตรงไหนสวรรณภูมิอยู่ตรงไหนเคยไปไหมสนามบินสนามบินมันมาที่หลังสวรรณภูมินี่คือดินแดนที่รวมทั้งพมา่าไทยลาวกัมพูชาเดี๋ยวนี้เรียกดินแดนแถบนี้ว่าสวรรณภูมิ ตอนนั้นยังไม่แบ่งเป็นประเทศเรียกรวมๆว่าสุวรรณภูมิก็เดินทางจากอินเดียไงจากอินเดียผ่านทะเลอะไรรูเก่งมากเลยนะเนี่ยทะเลอันดามันทำไมรู้เยอะจังอะทะเลรู้อย่างนี้นะอาตมาสบายเลยจากจากอินเดียนึกภาพแผนที่ออกใช่ไหม อินเดียอยู่ทางทิศไหนของประเทศไทยทิศไหนอ่ะไอ้มือไปอยังงี้คือทิศไหนอ่ะทิศไหนทิศไหนทิศตะวันตกถ้าจะเฉียงหน่อยก็เฉียงเหนือนะแต่มีทะเลขวางอยู่ถ้าจะมาทางบกก็ได้แต่ลำบากมาทางทะเลง่ายกว่าเดี๋ยวนี้สมัยนั้นยังไม่มีเครื่องบินมาทางทะเลง่ายก็คือผ่านทะเลอันดามันนะผ่านทะเลอันดามันมา ในเรื่องในเรื่องนี้นะในพระไตรปิฎกเนะี่ยไม่ได้ระบุถึงท่อนแยกแนะนี่ถึงท่อนแยกกันนะในพระไตรปิฎกเนะี่ยไม่ได้ระบุว่าเดินทางเมื่อไหร่เวลาไหนเดือนไหนไม่ได้ระบุตรงนี้นะแต่ในในเรื่องของในหลวงราชการที่9นะ้าเนี่ยที่พระองค์ทรงพระราชินินพนธ์ขึ้นมาใหม่เนี่ยนะระบุ ทรงวาดแผนที่ประกอบด้วยโดยพระองค์เองเป็นเป็นอะไรผู้ภาษาไทยง่ายๆภาษาชาวบ้านคือฝีมือพระองค์เองวาดเองวาดแผนที่วาดเส้นทางการเดินทางวาดเมืองสําคัญๆของอินเดียวาดเมืองสําคัญของสุวรรณภูมินะแล้วก็มีทิศทางลมด้วยระบุได้ว่าเดือนไหนเวลาไหน บอกเลยนะที่อัศจรรย์ก็คือว่าวันที่พระองค์ระบุว่ามีพายุที่ทําให้เรือที่พระหมหาชนกต้องอับปางเนี่ยนะท่านระบุไว้ว่าสองพฤษภาคมระบุอย่างนี้เลยนะอัศจรรย์ไหมไม่ยังให้อัศจรรย์ขนาดแค่ระบุวันนี้ยังไม่อัศจรรย์นะวันที่พระองค์พระราชนิพนธ์เนี่ยนะ ปีไหนะจะมาจำไม่ได้นะแต่อีกหลายปีต่อมามีพายุลูกนี้เขาเรียกพายุนากิสเคยได้ยินชื่อนี้ไหมเด็กอาจจะยังไม่เคยได้ยินผู้ใหญ่จะได้ได้ยินล้เป็นเขาเรียกพายุอะไรนะไซโคลนไซโคลนนากิสเข้าพม่าเป็นพายุในทะเลอันดามันเข้าฝั่งพม่าคนตายเยอะเลยน่าจะเป็นแสน เป็นพายุครั้งร้ายแรงมากความเสียหายกับพมา่านี่ครั้งร้ายแรงมาก2พฤษภาคมเหมือนกันในหลวงในหลวงเขียนเอาไว้2พฤษภาคมอยู่ในหนังสือพระหมหาชนกที่เป็นพระราชินิพนธ์ของพระองค์เขียนก่อนล่วงหน้าหลายปีต่อมามีเหตุการณ์2พฤษภาคมที่มีพายุอันนี้ขึ้นฝั่งพมา่า เกิดในทะเลเดียวกันเลยเหมือนกันเลยนี่เป็นความอัศจรรย์นะที่ที่ไม่น่าเชื่อเอากลับเข้าเรื่องพระมหาชนกพระมหาชนกโดยสานเรือไปเกิดพายุขึ้นกลางทะเลเรือกำลังจะอับปางคนทั้งหลายเวลาเรือจะอับปางก็ทำยังไง จะโดดทาไมน้ําไม่โดดเกาะเรือแน่นในขณะที่เกาะเรือแน่นเนี่ยนะอ้อนวอนเทวดาด้วยอ้อนวอนเทวดาสาธุเจ้าพ่อคุ้ช่วยลูกช้างทีไม่มีช้างเลยสักตัวมีแต่คนช่วยด้วยช่วยช่วยทีอะไรนะวิ่งพลาดเลยวิ่งพลาดอยู่บนเรือเนี่ยทํำอะไรไม่ถูกทําอะไรไม่เป็นกลายเป็นคนขาดสติไปเลยแต่พระมหาชนกเนี่ยนะรู้แล้วว่าเรือกำลังจะอับปาง วิธีการที่จะเผชิญหน้ากับสถานการณ์ฉุกเฉินนั้นนั้นคือมีสติก่อนไม่ตกใจจนขาดสติรู้ว่าเรือกำลังจะอับปางเราต้องใช้ชีวิตบนผิวน้ำนี่แหละในทะเลนี้จะทำยังไงต่อไ ป, ปอต้องมีแรงใช่ไหมต้องมีแรงต้องมีพละกกำลังที่จะว่ายน้ำแรงจะมาจากอะไรจากอาหารานั้น ไม่วิ่งพลานไม่วอนไม่มีวอนกับเทวดาช่วยตัวเองก่อนคือลงไปห้องครัวกินอาหารเลือกกินอาหารเฉพาะที่มีคุณภาพเท่านั้นกินอาหารที่มันหนักท้องมีคุณภาพเท่านั้นแล้วรู้ว่าจะต้องอยู่กลางทะเลกลางทะเลเนี่ยแดดเปรี้ยงน้าก็เค็มแสบเคยเคยเล่นทะเลแล้วาตากแดดนานๆแสบนแสบวิธีวิธี พระมหาชนกเอาผ้าเนื้อละเอียดชุบน้ํามันชุบน้ํามันน้ํามันที่กินได้นะน้ํามันไม่ใช่น้ํามันขี้โล่แบบกันมดเงี้ยไม่ใช่งั้นนะน้ำมันอางงูนั่นหรอครับน้ำมันที่เขาใช้ทําอาหารอ่ะคือเข้าครัวใช่ไหมเข้าครัวชุบน้ํามันก็เอาเอาน้ำมันที่ใช้ทําอาหารนั่นแหละชุบมันแล้วก็มานุ่งห่มให้มั่นคงให้มันแน่นๆ่นแล้วไปไหนปีนกระโดงรู้จักกระโดงเรือไหม ไอเสายยาวเดี e ๋ยวนี oh, yeah. mm ้เรือเดี wow. ๋ยวเรือเดี๋ยวนี้ไม่ค่อยเจออ้อต้องเรือเดินสมุทรนะนะจะมีเสากระโดงเรือปีนขึ้นมาทําไมต้องปีนเพื่อจะมองว่าจะไปทางไหนดีใช่ไหมมันมองเห็นและที่ต้องไปที่สูงๆเพราะว่าเวลากระโดดเนี่ยกระโดดได้ไกลเรือเวลาล่มนะจำไว้นะเรือเวลาล่มเนี่ยนะเวลามันจมเนยนะถ้าอยู่ใกล้ๆเนี่ยน้ํามันจะดูดเพราะเรือเวลาจมไปเนี่ย มันมีการแทนที่ของน้ําเข้าใจไหมน้ําจะเข้าไปตรงนี้ถ้าอยู่ใกล้ๆนะจมน้ําเรือมันจะดูดอน้ําจะดูดไปตามความจมของเรืออยู่พักหนึ่งนั้นวิธีที่จะให้รอดจากการ<ม>เหตุการณ์ตรงนี้นะพระมหาชนกรู้แนละขึ้นไปกระโดงเรือแล้วพอจะล่มเลยนะพระองค์กระโดดให้ไกลที่สุดเลยโดดให้ไกลให้พ้นจากลัศมีที่น้ำมันจะไหลรวมกันมาและคนทั้งหลายตาย ตายเพราะว่าไม่รู้ตรงนี้แล้วมัวแต่อ้อนวอนเทวดาแล้วเทวดาไม่มาช่วยดีไม่พอที่จะให้เทวดาช่วยดังนั้นคนที่จะให้เทวดาช่วยต้องช่วยตัวเองก่อนนะพระมหาชนกไม่อ้อนวอนเทวดารู้ว่าจะทําอะไรช่วยเหลือตัวเองก่อนหรือว่าจะต้องทําอะไรคือจะต้องอยู่กลางทะเลต้องมีกําลังมากไปกินข้าวไปกินอะไรให้มันอิ่มก่อนรู้ว่าจะต้องถูกทะเลถูกน้ําเค็มถูกแสงแดดไปหาผ้าชุดน้ํามัน แล้วก็มามานุ่งหม่มผ้าที่ว่าเนี่ยนะไม่ได้เอามาห่มแบบพระอย่างนี้นะมานุ่งให้ธรมัธรแมแง่ผ้ายางพระเนี่ยตกน้ำจมตายเลยเนะี่ย <c oughs> ตกลงโดดไปว่ายน้ำอยู่เจ็ดวันว่ายน้ำอยู่เจ็ดวันตรงนี้จะมีข้อสังเกตยอย่างหนึ่งคือพอพระองค์ ว่ายน้ำไปเห็นทองฟ้าพระจันทร์เต็มดวงเป็นเครื่องหมายบอกว่าเป็นวันพระวันอุโบสถวันอุโบสถเนี่ยถ้าเป็นปกติแล้วจะสมาทานศีลแปดศีลแปดข้อสําคัญเลยคือเริ่มต้นที่ข้อที่ว่าวิกาลโภชนารู้จักไหมไม่ไม่บริโภคอาหารหลังเที่ยงไอตอนที่เห็นพระจันทร์เต็มดวงต้องเป็นตอนกลางคืน ตอนกลางคืนเนี่ยอ้าวเห็นพระจันทร์เต็มดวงแล้วก็เลยเระลึกได้ว่าวันนี้เป็นวันอุโบสถสมาทานศีลอุโบสถสมาทานเองสมาทานศีลเนี่ยมันจะไม่ต้องมาหาพระเข้าใจไหมเวลาสมาทานศีลเนี่ยไม่ต้องมาอุ๊ยตายวันนี้ฉันจะจะรักษาศีลห้าจะรักษาศีลแปดไม่มีพระทำไงดีสมาทานเองเลยเอาอย่างจากใครเอาอย่างจากพระหมหาเชนกนี่แหละ อยู่กลางทะเลจะมีพระได้ยังไงใช่ไหมนบอกนิมนพระคุณเจ้ามาให้ศีลทีพระไม่มีไม่มีใช่ไหมก็ต้องสมาทานศีลเองสมาทานศีลเองแล้วแล้วได้ไหมได้เป็นการตั้งใจเพียงถ้าถ้ามีพระมาพระจะบอกว่ามีข้ออะไรบ้างจะอธิบายให้ฟังแต่เรารู้อยู่แล้วว่ามีกี่ข้อควรทำยังไงกับข้อนั้นนั้นทำเองได้เลยสมาทานเองได้เลยมันไม่ใช่เป็นการบวชพระ ถ้าบวชพระเนี่จนะต้องผ่านพิธีคือไปเข้าอุโบสถมีอุปัชามีคู่สวดอันนี้เป็นวินัยของพระต้องผ่านพิธีให้ถูกต้องแต่การสมาทานศีลห้าสมาคทานศีลแปดสมาทานเองได้เลยไม่ต้องมีพิธีนะว่าอยู่เจ็ดวันครบเจ็ดวันแล้วเกิดอะไรขึ้นพระนางนางมณีเมฆขาลาเนี่ยรู้จักนะรู้จักชื่อไหมนางมณีเมฆขาลา ปกติแล้วนางมณีเมฆขาลามีหน้าที่คอยดูแลทะเลดูว่ามีใครเดือดร้อนแต่ปรากฏว่าเจวันที่ผ่านมาเนี่ยไม่ได้มาดูไม่ได้มาดูเพราะมีติดประชุมเทวดามีประชุมด้วยนะติดประชุมพอประชุมเสร็จแล้ว ท, ทําไมเทวดาประชุมนานจังจริงไม่นานหรอกประชุมแป๊บเดียวเวลาของเทวดานะนิดหนึ่งเนี่ยนะมันผ่านไปใช้เวลากับมนุษย์แนละ้วเปรียบเทียบกันแล้วเนี่ยผ่านไปนานมาก เคยมีเรื่องเรื่องหนึ่งเทวดาเทพบระบุพาเทพธิดาไปสวนดอกไม้บนบนสวรรค์แล้วก็เทพธิดาหายไปหายไปมาโผล่ทีตอนเย็นเทพธิดาโผล่ทีตอนเย็นเทพบุะบก็ถามอ้าวหายไปไหนมาทั้งวันเมื่อเช้ายังอยู่ด้วยกันแล้วมาเพิ่งมาเพิ่งมาเจอกันตอนนี้เทพธิดาบอกว่าไปเกิดเป็นคนมา ฮะไปเกิดเป็นคนเลยเป็นไงบ้างล่ะเป็นคนมาอายุแปดสิบปีแล้วตายเนี่ยเป็นคนแปดสิบปีนะเทวดาเนี่ยยังไม่หมดวันเลยจากเช้าถึงบ่ายเอ้ะถึงเย็นเนี่ยดูสิเวลาเวลาของเทวดานีนิดเดียวนะแต่กับคนเนี่ยมากเพรนั้นมณีแม่ขลาไปประชุมนะแป๊บเดียวไประชุมแป๊บเดียวแต่เวลามันตั้งเจ็ดวันของเมืองมนุษย์ ไปประชุมปุ๊บพอออกจากที่ประชุมมาอ้าวเป็นยังไงเนี่ยปรากฏว่าเห็นคนกำลังว่ายน้ำข้ามทะเลก็เลยเข้าไปดูไปดูแล้วก็เลยถามตรงเนี้ยขออนุญาตเปิดโพลเพร <c oughs> าะถ้าพูดผิดแล้วเดี๋ยวตรงนี้สำคัญ ม, มันนีแม่ขลาถามนะ ถามว่าใครหนอพยายามว่ายน้ำในมหาสมุทรไม่เห็นฝั่งท่านเห็นประโยชน์อะไรจึงได้พยายามอยู่นี่มณีเมฆลาเหาะอยู่นะพระหมหาชนกว่ายน้ำอยู่พระหมหาชน ก, นกตอบว่าดูก่อนเทพทิดาเราได้พิจารณาเห็นธรรมเนียมของโลกและผลของความพยายามจึงได้พยายามว่ายน้ำอยู่ว่ายน้าทั้งที่ไม่เห็นฝั่งเนี่ยเห็นอะไร ทำไมถึงยังพยายามว่ายน้ำอยู่มีสองประเด็นนะเป็นธรรมเนียมของโลกที่ต้องพยายามแล้วก็รู้ว่าผลของความพยายามมีอยู่จึงยังว่ายน้ำอยู่ตอบสองประเด็นนะเป็นเรื่องของธรรมเนียมของโลกที่คนในโลกเนี่ยควรจะพยายามแล้วผลของความพยายามเชื่อว่ามีอยู่ นางมณีไม่ขลาฟังแล้วไม่เข้าใจสองประเด็นนี้ไม่เข้าใจก็เลยตอบว่าฟังก็ไม่เห็นไม่ปรากฏเลยท่านพยายามท่านถึงพยายามไปก็ตายอยู่แล้วตายแน่ๆเลยพระหมหาชนกตอบว่าบุคคลเมื่อทำความเพียรอยู่ถึงจะตายก็ไม่เป็นที่ก็ไม่เป็นที่ตีเตียนของพ่อแม่และหมู่ญาติอันหนึ่ง เมื่อบุคคลทำหน้าที่ของตนอย่างสุดความสามารถแล้วย่อมไม่เสียใจในภายหลังหมายความว่ายังไงหมายความว่าคําว่าธรำเนียมของโลกเนี่ยคือเมื่อชาวโลกโดยเฉพาะพ่อแม่และหมู่ญาติตั้งหลายรู้ว่าญาติของเขากําลังพยายามหยุดอย่างสุดความสามารถอยู่ย่อมไม่ตีเตียนเข้าใจไหมถ้าจะตายเพราะกําลังทําความพยายามอยู่เนี่ยพ่อแม่และหมู่ญาติจะไม่ตีเตียน แต่ถ้าเรากำลังท้อแท้พ่อแม่ไม่สู้โลกแล้วอ่อนแอและตายไปนะนอกจากจะเสียใจธรรมดาแล้วยังอาจจะถูกติเตียนก็ได้ว่าทำไมไม่ยอมสู้ให้เต็มที่ซะก่อนมายอ ม, ยอมแพ้ซะแล้วอสอบได้คะแนนน้อยลงมาร้องไห้อย่างเงี้ยพ่อแม่ก็ไม่ดีใจด้วยแถมอาจจะติเตียนใช่ไหมครูอาจจะติเตียนเมื่อรู้ว่า เมื่อรู้ว่าจะต้องทำความเพียรให้ทำความเพียรก่อนพ่อแม่พี่น้องได้หมู่ญาติทั้งหลายก็จะไม่ติเตียนนะแล้วส่วนตัวเองถ้าพยายามเต็มที่แล้วจะไม่เสียใจยในภายหลังมณีเมฆาลาก็ยังไม่ค่อยพอใจยังยืนยันว่าก็การพยายามอันไหนทาแล้วไม่สาเร็จตายซะก่อนความพยายามนั้นก็น่าจะศู์เปล่า จริงไหมกําลังพยายามเนี่ยอย่างเช่นพระมหาชนกกําลังว่ายน้ําข้ามมหาสมุทรเนี่ยพยายามไปเถอะเจ็ดวันแต่ไม่ถึงฝั่งอะความพยายามนั้นน่าจะสูนเปล่าโยมว่าเอเด็กๆว่าเห็นว่าจริงไหมไว่ายน้ําไปตายแน่กลางทะเลเพราะนั้นไม่ยอมว่ายตายซะเลยจมซะเลยดีกว่ากับเชื่อว่าความพยายามมีผลจริงว่ายน้ําไป ถึงจะตายกลางทะเลก็ไหว้ไปก่อนเอาอยัางไงต้องไหว้ก่อนต้องไหว้ก่อนต้องพยายามก่อนถ้ายอมแพ้ซะเลยตายเลยนี่พระหมหาจโน ก, ก็ตอบอย่างนี้ว่าผู้ใดรู้ว่าการงานไม่สำเร็จจะมีอุปสรรคอะไรแล้วไม่เร่งหาทางป้องกันอันตรายผู้นั้นชื่อว่าไม่รักษาตนเข้า <c oughs> ใจไหมไม่ยอมหาทางป้องกัน ชื่อว่าไม่รักษาตัวเองรู้ว่าจะมีอันตรายรู้อยู่แล้วไม่รักษาตนอย่างเนี้ยอย่างพระมาชนกรู้ว่าอันตรายในทะเลมีอะไรพระองค์เตรียมตัวยังไงไปกินให้อิม่มไปหาผ้าชุดน้ำมันเพื่อที่จะว่ายไปใ น, นทะเลโดยที่อันตรายน้อยลงแล้วก็มีมีแรงมีกำลังที่จะว่ายน้ำได้นานๆหลายๆวันมีข่าวใช่ไหมบางทีคน เรืออับปางในยุคปัจจุบันไม่ต้องยุคพระมหาชนกแล้วยุคปัจจุบันนี่แหละเรืออับปางแล้วก็ลอยคออยู่เกินกว่าเจวันก็มีแล้วคนก็ไปช่วยอาจจะจับขอนไม้รือจะลอยคอหรือมีมีอะไรที่ลอยอยู่แล้วก็เกาะเกาะอยู่ก็ได้ไม่ท้อถอยกับชีวิตของตัวเองบางคนท้อถอยเรื่องหมดแรงคนท้อถอยทั้งหมดแรงก็เลยได้รับผลของความท้อถอยอ น, นั้นแต่ถ้าไม่ไม่ท้อถอยจิต มีกําลังขึ้นมานะผลของความเพียรก็แสดงออกมาว่าทําให้มีกําลังที่จะดํารงชีิตต่อผู้ใดตั้งใจทํางานงานจะสําเร็จหรือไม่ผู้นั้นจะได้เห็นผลงานประจักษ์ของตนเอง <c oughs> ผลงานประจักษ์ของตนเองขณะเนี้ย <c oughs> พระมหาเจ้นกก็ชี้ให้ดูเลยว่า <c oughs> ให้นางฟ้าดูเลยว่าชี้เรียกนางฟ้าให้นางฟ้าดูเลยคนที่ท้อถอย <c oughs> ตายหมดแล้ว แต่เราผู้มีความเพียร อ, อยู่นี้และเห็นผลของความเพียรแล้วด้วยผลชัดๆเลยคือตอนนี้เห็นนางฟ้าคนตายไปแล้วนี่ยไม่เห็นตายไปด้วยความกลัวนะตกนรกตายด้วยความกลัวนะจิตใจเนี่ยวาวุ่นไปด้วยความหวาดกลัวจิตขณะนั้นเป็นอกุศลไม่ได้มีความแช่มชื่นไม่มีความเบิกบานตายไปตกนรกไปที่อบายแต่พระองค์กําลังว่ายน้ําด้วยความเพียรด้วยความไม่ย่อหย่อน แล้วตอนนี้เห็นผลของความเพียรเลยคือว่ายังมีชีวิตอยู่ด้วยแล้วเห็นเทวดาเห็นนางฟ้าปรากฏอยู่ต่อหน้าแล้วด้วยนี่คือผลของความเพียรที่ปรากฏอยู่นี่บอกเหตุผลกับนางมณีแม่ขลาอย่างนี้เพราะฉะนั้นเราจะพยายามว่ายน้าต่อไปไม่ขอให้ช่วยด้วยนะแน่แค่ไหนเจ๋งไหมบอกเหตุผลว่าทาไมจึงยังทำความเพียรคนที่มีความเพียรขณะนั้นจิตเป็นกุศล เข้าใจไหมจิตของคนที่มีความเพียรเป็นจิตที่มีกุศลถ้าจะตายขณะทําความเพียรตายขณะที่จิตมีกุศลถ้าขี้เกียจท้อถอยหมดอะไรตายอยากกับชีวิตแล้วก็ตายไปจิตขณะนั้นเป็นอกุศลถ้าตายไปขณะที่มีความท้อถอยเป็นยังไงไม่ไปสวรรค์นะไม่ไปสวรรค์ไม่ไปที่สุขติไปเป็นทุตติฉนั้น จิตมีความขยันอยู่มีความเพียรอยู่อย่างเนี้ยถือว่ามีกุศลอยู่ในอยู่ในใจจะตายไปก็ไม่ไปอบายนะแล้วที่สำคัญเลยไม่ขอให้นางฟ้าช่วยด้วยทั้งๆ ท, ที่เห็นอยู่ด้วยนะเห็นอยู่ด้วยว่านางมณีไม่ขลาเนี่ยหอมาช่วยด้วยช่วยทีไม่มีเลยไม่บอกเลยทำความเพียรของตัวเองไปนะส่วนนางมณีไม่ขลาเนะ่ยเนื่องจากเป็นเทวดาที่ดีจริงเห็นคนดี กำลังทำความดีทำความเพียร น, น่านับถือใจน่ยนับถือนะใจนางมณีไม่ขลาเน่ยนับถือเลยถามเลยว่าต้องการจะไปที่ไหนเดี๋ยวเราจะไปส่งก็เลยอุ้มรู้อยู่แล้วว่าต้องการไปเมืองเมืองไหนมิถิล า, ลาอุ้มเลยลคนที่กำลังออกแรงมาเหนื่อยล้ามาเจ็ดวันพอได้สัมผัสอ่นอนนุ่มสัมผัสทิพนะ สัมผัสทิพย์ของนางฟ้าหลับเลย lại, เคยไหมเคยวิ่งเล่นหรือเล่นกีฬาวันเนี้ยเล่นกีฬามาหนักๆเลยนะพอถึงบ้านได้ที่นอนนุ่มๆหลับเลยหลับง่ายอ่าเนี่ยยิ่งกว่านั้นอีกอะ่ะของเราแค่วันเดียวใช่ไหมพระมหาชนกเนี่ยว่ายทั้งวันทั้งคืนเลยนะไม่ใช่กลางคืนไม่พักเลยนะทั้งวันทั้งคืนเจ็ดวันดังนั้นอ่อนเพลียามากได้รับสัมผัสอ่อนนุ่มหลับเลยหลับปุ๊บ นางมณีเคราะห์เมฆาลาก็พาไปส่งที่เมืองมิถิลาไปวางไว้ที่ไหนหินที่ที่ที่เขาเรียกว่าเป็นสวนเป็นราชอุทยานนะผมพูดให้มันเป็นศัพท์หน่อยที่ราชอุทยานคือสวนของพระราชานี่เรื่องราวในกรุงมิถิลาวันที่วันที่ พระมหาชนกออกเดินทางกรุงมิถิลาเกิดเรื่องอะไรขึ้นย่างไม่สวรรค์พระโปลพระโปราชนกเริ่มป่วยเป็นเริ่มป่วยเริ่มไม่สบายวันที่เรือเรือล่มคือเป็นวันที่พระโปรัชนกสิ้นพระชนกัาตอนนั้นสิ้นพระชนไปกี่วันแล้วเจดวัน ครบเจ็ดวันจัดงานราชพิธีปรงพระศพแล้วเหลือเหลืออยู่ว่าทำอย่างไรกับราชบัลลังก์เพราะว่าพระโปราชนกมีลูกกี่คนคนเดียวเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายผู้หญิงชื่อพระนางศรีวาลีพระนางศรีลีเนี่ยนะเป็นผู้หญิงอะ่ะเขาจะยกให้เป็นพระราชาก็ไม่ได้ใช่ไหมสมัยนั้นยังไม่ยกแบบ ควีนแบบประเทศอังกฤษสมัยนั้นยังต้องการผู้ชายมาเป็นพระราชาทำยังไงดีหาคนหาคนที่พระนางศรีวลีพอพระไทยพระนางศรีวลีพอพระไทยใครบ้างไม่พอพระไทยใครเลยเอาเชื้อกษัตริย์มาก็ไม่ชอบเอาเอาเศรษฐีมหาเศรษฐีมาก็ไม่ชอบตกลงอมาตย์ทั้งหลาย ป, ปรึกษากันแล้วใช้วิธีไหน เสียงทายเอาราชรถให้ม้าตกตกแต่งม้าอย่างดีแล้วตกแต่งราชรถอย่างดีเลยเสียงทายไปถ้ารถไปจอดที่ไหนแสดงว่าคนนั้นมีบุญนะเอาเลือกคนนั้นแหละมาให้พระศรีวลีมาเลือกอีกทีปรากฏปรากฏว่าม้าไปไหนมาไปจอดที่ไหนพระมหาชนกเวลาม้าไปเนี่ยนะจะต้องมีกองทัพตามไปด้วยมีคนตามไปด้วยมี กองดุริยางรู้จักกองดุรยางไหมมีเครื่องดนตรีตามไปด้วยพอมา้ามาเนี่ยพอปล่อยปุ๊บนะวิ่งตรงไปยังราชอุทยานเลยแล้วก็ไปวนรอบพระมหาชนกสามรอบทําความเคารพวิธีทำความเคารพของอินเดียเนี่ยนะมีหลายลักษณะด้วยกันลักษณะแรกไหว้ไหว้ไหว้ธรรมดาเป็นการทําความเคารพอย่างหนึง่งระดับต่อไป กราบรู้จักกราบไหมเมื่อกี้อย่างที่กราบนะมีอัญชลีวันทาอภิวาทกราบกราบก็เป็นวิธีการทาเคารพที่มากกว่าวาที่ทําความเคารพมากกว่ากราบคือคืออะไรเดินบนสามรเดินบนสครั้งภาษาพระเออภาษาบาลีเรียกว่าทําประทักษิณ ท, <า>ที่เราไปเวียนเทียนอะ่ะเราไปเวียนเทียนอะ่ะเวียนสามรอบต้องเวียนทางไหนเวียนทางไหนปทักษิณเวียนทางไหน ขวาเอาขวาของเราเนี่ยเข้าหาสิ่งที่เราจะบูชาที่เราจะเคารพอย่างสมมุติว่าตรง น, รงนี้ตรงไหนดีเอาตรงนู้นก็แล้วกันเราจะทําความเคารพโดยการประทักศิลปพระพุทธรูปองคนี้แล้วก็เอาข้างขวาของเราเข้าหาพระพุทธรูปนะก็เรียกเดินตามเข็มนาฬิกานะเข็มนาฬิกาเดินยังไงก็เดินอย่างนั้นแหะมามา ทำแบบเดียวกันพอถึงที่พระมหาชนกนอนอยู่ก็พะทะศิกษิสามรอบแล้วก็หยุดทีนี้พอหยุดแล้วทำยังไงอมาตปุโรหิตก็คิดจะทดลองทดลองว่าคนที่นอนหลับอยู่เนี่ยใช้ได้จริงไหมวิธีทดลองนะให้ฮะทำแล้วไม่ใช่ยางยางยางยังอยู่ในป่าอยู่เลยยังอยู่ในราช จ, จุทยาน ให้เขาเรียกอะไรนะประคมประโคมดนตรีประโคมดนตรีรู้จักไหมให้บรรเลงเพลงขึ้นมาให้กระหึ่มกระหึ่มขึ้นมาถ้าเป็นคนที่ขวัญอ่อนคนที่คุณสมบัติไม่ดีไม่มีความหนักแน่นพอจะตกใจตื่นแล้วก็วิ่งหนีตกใจว่ามีทหารเยอะมีคนเยอะอะไรเงี้ยนะจะทดลองคนประเภทนี้ว่า คนนี้หนักแน่นพอที่เป็นพระราชาไหมให้บรรเลงเพลงต้องมีคอนดักเตอร์ด้วยนะ <c oughs> บรรเลงเพลงเสียงดังมากนะเสียงดังมากพระมหาชษัตจริงตื่นแล้วตื่นมาแล้วก็คุมโปองอยู่นะเอาผ้าออกมาแล้วก็นอนต่อ <c oughs> รู้แล้วว่ารู้แล้วมีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นคือ พอเปิดปะเออเปิดผ้าดูแล้วลืมตาดูแล้วก็เห็นว่ามีทหารมามีมา้ามีรถโอ้รู้เลยว่าเป็นการเสี่ยงทายหาพระราชาก็นอนต่อปุโรหิตทดลองใหม่ให้กระหึมกว่อ น, นั้นอีกอแบบว่าให้นอนไม่ได้เลยอ่ะกวนใจพระมหาชนกเลยเอาเปิดมานั่ง ถามมาทําไมมาทําไมมีอะไรอีล็อกช็อกแช็คมาทําไมคงไม่ถามว่าอีล็อกช็อกแจ็คนะมาทําไมโพรฮิตก็เลยเล่าไ้ฟังเล่าไปฟังว่าพระราชาเมืองเราเนี่ยสวรรคตรแล้วพระราชามีแค่พระธิดาต้องการที่จะหาพระราชาคือให้พระให้พระอาทิดาพอพระไทยด้วย หาที่พอไปถายไม่ได้ก็เลยมีการเสียงรถม้ารถม้าม า, ม า, มาก็มาที่ท่านนี่แหละท่านจะยินดีรับตําแหน่งนี้ไหมรับไหมรับไหมรับดูก่อนขอดูก่อนว่าควรรับไหมไหนเด็กไปดูสิไปดูดูราชวังพระธิดาเนี่ยในขณะนั้นมีมานะรู้จักมานะไหมมานะแปลว่าความถือตัวความถือตัวถือตัวว่าตัวเองเป็นเป็นลูกของพระราชา ส่วนพ่อหนุ่มคนใหม่เนี่ยเป็นใครก็ไม่รู้แต่ว่าถูกเสียงทายมาไม่รู้หรอกว่าเป็นเป็นญาติกันไม่รู้หรอกไม่รู้แล้วนะนะแต่ตอนนั้นไม่รู้ก็เลยคิดว่าจะให้พ่อหนุ่มคนใหม่คนเนี้มาเข้าเฝ้าส่งส่งข่าวไปให้ทหารไปบอกว่าพระราชิาต้องการเข้าให้เข้าเฝ้า พระมหาชนกทำเป็นไม่รู้เรื่องทำเป็นไม่รู้ทาเป็นเดินชมไปเรื่อยนะเดินชมไปเรื่อยๆจนกระทั่งมาใกล้มาใกล้พระที่นั่งที่พระราชวังพอเห็นชัดๆพระนางศีวลีตะลึงตึงตึ ง, ตงรู้จักไหมตะลึงตึงตึง <laughs> <laughs> เกิดความพอพระทยเกิดความพอพระทยในพระมหาชนกก็เลยลงมา เดินลงบันไดามายื่นมือให้นีมีวิธีวิธีที่แสดงความพอใจนะยื่นมือให้แล้วก็พระหาชน ก, ก็จับมือจับมือแล้วก็จูงกันไปขึ้นขึ้นพระราชาวังนี่เป็นวิธีเป็นเป็นวิธีที่พระหาชนกที่แสดงว่าไม่ใช่มาไม่ใช่มาเล่นเล่น <c oughs> ไม่ใช่มาเล่นเล่นไม่ใช่มาแบบในฐานะที่จะมาเป็นอะไรอ่ะ เป็นผู้รับใช้เป็นผู้รับคำสั่งไม่ใช่ไหมไม่ใช่ว่าพัธิดาสั่งมาให้เข้าเฝ้าก็จะไปเข้าเฝ้าไม่ใช่อย่างนั้นแต่พัติดานะจะต้องมาเชิญแล้วให้ขึ้นไปที่พระราชวัง <c oughs> และให้เสียงทายไม่ใช่เสียงทายให้ตอบปัญหามีปัญหาหลายข้อด้วยนะข้อหนึ่งบอกว่าอมารรตบอกว่าคุณสมบัติผู้ที่เป็นพระราชาพระโพรสนกได้บอกว่าต้องรู้หัวนอนของที่นอน ที่นอนเนี่ยนะสี่เหลี่ยมจัตุรัสเดาไม่ออกเลยหัวอันไหนทิศไหนเป็นทิศหัวถ้าเป็นถ้าเป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้าเนี่ยังยังมีช้อยอยู่สองช้อยใช่ไหมไม่ไม่ทางนี้ก็ทางนี้ใช่ไหมแต่เป็นสี่เหลี่ยมจัตุรัสเนี่ยนะมันช้อยเพิ่มเป็นอีกเป็นกลายเป็นสี่ช้อยสี่ทิศไม่รู้ทิศไหนจริงๆพระหมหาชนกก็ยังไม่รู้นะ ใช้ยังไงใช้วิธียังไงนี่ใช้ปิ่นคนสมัยก่อนนะครับเขาไม่ค่อยตัดผมใช่ไหมถ้าทรงนี้ไปนะเสร็จเลยเนี่ยไม่มีอะไรตัวช่วยเลยพระมหาชนกเนี่ยมีปิ่นปักผมคนสมัยก่อนเนี่ยก็จะไม่ค่อยตัดผมก็จะผมยาวๆแล้วก็ม้วนม้วนแล้วก็มีปิ่นคอยปักไม่ให้ไม่ให้ผมหลุดก็เลยวิธีจะหาคําตอบรู้แล้วว่าพระศิวลีเนี่ยพอพระทยัยพระองค์ มอบปีนปดึงปีนปักผมออกมาแล้วก็มอบให้ศรีพระศรีวลีพระศรีวุลีก็รู้แล้วว่าพระมหาชนกเนี่ยต้องการคําตอบก็เอาปีนเนี่ยไปวางอยู่ด้านหนึ่งของเตียงด้านนั้นแหละควรจะเป็นด้านไหนด้านหัวนอนด้านหัวนอนด้านไหนก็แล้วแต่ต้องไปวางตรงหัวนอนเพราะว่าปีนเนี่ยคือของสูงใช่ไหมอยู่ตรงหัวใช่ไหมเวลาจะไปบอกว่าทิศไหนไปทิศหัวนอนก็เอาปีนเนี่ยไปวางอยู่ตรงนั้น คงไม่ไปวางที่ปลายเท้าไม่เอาวางที่ตรงมือซ้ายมือขวาเพราะต้องเพราะว่าในฐานะที่ตอนนี้พระมหาชนกเป็นพระราชาแล้วปิ่นเนี่ยเป็นของที่เป็นของสูงด้วยก็ควรจะไปวางในทิศที่สมควรจริงๆพอพระมหาชนกเห็นว่าพระศรีวลีเนี่ยเอาปิ่นไปวางทิศนั้นก็บอกกับอมหาทั้งหลายโบรหิต ท, ทั้งหลายบอกว่าทิศนั้นเป็นทิศหัวนอนนี่วิธีหาคาตอบเจ๋งไหมใชได้เลยนะ บางทีคำตอบเนี่ยไม่รู้ตัวแต่เองนะต้องหาตัวช่วยก็ต้องรู้ด้วยว่าควรจะหาตัวช่วยแบบไหนโดยที่ไม่เสียฟอร์มด้วยแค่หยิบปิ่นให้กับภสิีวิีและภสิีวิรีก็ไปจะไปบอกคําตอบเองไม่มีการพูดด้วยนะไม่มีบอกว่าช่วยบอกทีว่าทิศไหนไม่หาไม่จะบอกด้วยวิธีนี้แล้วนะนะใช้วิธีหยิบปิ่นให้ไม่พูดอะไรเลยภสิีวิรีก็ฉลาดมากเลยนะ แม่ไม่บอกว่าให้ขาคำตอบทีภาษีวิริยก็รู้ว่าควรจะไปบอกแบบไหนด้วยนี่ฉลาดสองทั้งสองคนเลยต้องปลบมือให้หรือเปล่าอ๋อปลบมือจริงทีนี้มีเวลาถึงกี่โมงเนี่ย ไปเรื่อยๆได้ใช่ไหมเล่าไปสักยาวอันนี้ถึงท่อนท่อนแยกอีกทีหนึ่งนะเรื่องที่อยู่ในพระไตรปิฎกกับเรื่องที่เป็นพระราชนิพนธ์ของรัชกาลที่เก้ามาแยกตรงที่ว่า <c oughs> ครั้งหนึ่งระหว่างที่ครองราชอยู่ที่เมืองมิถิลานี่พระมหาชนกเสด็จไปที่ราชอุทยาน เจอต้นมะม่วงต้นหนึ่งออกลูก oh, อ๋ อ, อ, อเลยอ๋อเลยใช่ไ <Okay. S 1> รู้แล้วอ้เห็นมะม่วงสุกมีกลิ่นหอมอยู่บนหลังช้างพระองค์อยู่บนหลังช้างพระองค์ก็เสด็จโดยที่อะไรอะไม่ต้องปีนกระได <c oughs> อยู่บนหลังช้างอยู่แล้วนะโอ้มะม่วงนี้สุกก็เด็ดมาเด็ดมาก็สเสวยรสชาติดีมาก ถึงกับอุทานมาว่าอืมดีมากรสชาติดีมากขราชเบริพานทั้งหลายเนี่ยได้ยินโอมะม่วงนี้อร่อยถึงขนาดออกพระโอษฐ์ว่ารสชาติดีมากหอมมากพอพระองค์เสด็จไปแล้วคนทั้งหลายก็มามารุมมารุมกันเด็ดมะม่วงไอ้พวกที่เด็ดไม่ได้ก็ใช้ไม้คว่างพวกที่ไม้คว้างไม่ได้ก็ปีนเอารุมกันรุมกัน เพื่อจะหวังผลจากต้นมะม่วงต้นนี้ที่ว่าอร่อยใครได้มาก่อนแล้วก็กินแล้วก็บอกว่าอืมอร่อยจริงๆโอ้โหตอนนี้ยิ่งทาเป็นการเร่งให้คนที่ยังไม่ได้กินเนี่ยรีบเอามาให้ได้อร่อยอร่อยโอ้โหทุกคนต่างแย่งกลัวที่จะไม่ได้ผลจากมะม่วงต้นนั้นพระองค์เสด็จไปแล้วดูสวนอะไรบอแล้วเสด็จกลับปรากฏว่าภาพที่เห็นคือ ต้นมะม่วงเนี่ยโสมกิ่งหักใบนี่ตกเกลื่อนเต็มเต็มโคนต้นโสมขนาดที่เรียกว่าพระองค์สลดพระไทยตรงนี้เป็นท่อนแยกในเรื่องนายพระไตรปิฎกเรื่องนพระไตรปิฎกเนี่ยพระมหาชนกสลดพระไทยตรงที่ว่า<ม>เห็นเลยว่าสิ่งใดที่มีผลประโยชน์ สิ่งนั้นจะเป็นที่ต้องการของคนทั้งหลายและเป็นที่แย่งชิงของคนทั้งหลายและก็น้อมมาที่พระองค์เองพระองค์ก็เป็นตําแหน่งพระราชาที่จะให้ผลประโยชน์กับใครๆทั้งหลายในเมืองก็จะต้องเป็นที่แย่งชิงของคนทั้งหลายอํามาตย์ต่างๆก็แย่งชิงคนคิดจะเป็นเป็นใหญ่เป็นโตก็คิดจะแย่งชิงราชบัลลังคนที่เดือดร้อนก็จะมาขอ คนที่อยากได้ยศก็มาขอคนอยากได้ตำแหน่งก็มาขอคนอยากได้ลาบก็มาขอดูเหลือดูแล้วไม่ต่างอะไรกับมะม่วงต้นนี้ที่มีผลให้คนแล้วคนก็ต่างมารุมทึงและก็ทำลายคิดที่จะออกบทเนี่ยตรงนี้นะนี่คือเรื่องราวในพระไตรปิฎกแต่ในพระราชนิพนธ์ของรัชกาลที่9จุดนี้พระองค์ก็คิดคล้ายๆกัน เห็นเลยว่าต้นมะม่วงเนี่ยเป็นต้นที่มีผลที่คนต้องการแล้วปรากฏว่ามีคนมารุมทึ้งรุมรุมแย่งผลกันแล้วก็ทำลายต้นมะม่วงเพราะองค์ก็คิดเหมือนกันว่ามะม่วงต้นนี้เป็นที่ต้องการของคนคิดที่จะบวชเหมือนกันแต่ยังบวชไม่ได้นี่นะของในหลวงรัชกาลที่เก้าบอกว่าพราะองค์บอกว่า พระมหาชนกคิดที่จะบวชเหมือนกันแต่ยังบวชไม่ได้ทำไมยังบวชไม่ได้ <Okay. S 1> เพราะประชาชนยั ง, งโง่อยู่ <c oughs> <c oughs> นี่ผู้ภาษาตามาเองภาษาในหลวงจะพูดเพราะกว่านี้บอกว่าประชาชนยังตกอยู่ในโมหะภูมิร <Okay. S 1> ูจ้จักั้มโมหะภูมิโมหะคือหลง <Okay. S 1> คือพูดในง่ายภาษาชาวบ้านก็คือยั ง, งโง่อยู่ยังไม่มีความรู้ทังวิชาการและยังมีความโง่ สองอย่างสองอย่างนะโง่คือไม่เห็นกิเลสตัวเองและโง่คือไม่รู้วิธีว่าถ้าทำอะไรให้ตัวเองได้ผลประโยชน์อยากได้มะม่วงแต่ทำลายต้นมะม่วงมันโง่ขนาดไหนที่ ด, ดูใช่ไหมอยากกินมะม่วงไปโค่นต้นมะม่วงแล้วมันจะได้กินยังไงอาจจะได้กินครั้งเดียวใช่หมอยากกินต้นนี้เอื้อมไม่ถึงหรือว่าปีนไม่ถึงโค่นต้นเลยจะได้กินมันก็ได้กินครั้งเดียว ในหลวงรัชกาลที่9คงจะเห็นว่าคนไทยเป็นอย่างนี้แหละ <c oughs> คนไทยเนี่ยเป็นอย่างนี้แหละอยากได้ผลประโยชน์แล้วทำลายประเทศชาติเป็นไปได้ไหมเป็นไปได้ทะเลาะกันเองหรือว่ามามีตำแหน่งแล้วก็ทำการคอรับชั้นคดโกงเบียดเบียนได้ตำแหน่งแล้วเบียดเบียนหาใส่ตัวเองบ้างหาใส่ครอบครัวบ้างหาใส่พักพวกบ้างแล้วก็ทาลายประเทศชาติเนี่ยนะ พระองค์ต้องการที่จะสอนตรงนี้ให้กับคนไทยก่อนว่าถ้าคนไทยยังทําตัวเหมือนคนในเรื่องของพระหมหาชนกข้าราชวัดจะบริพารทั้งหลายที่ติดตามพระหมหาชนกคราวนั้นที่อยากกินมะม่วงแล้วก็แย่งผลมะม่วงกันแล้วทําลายต้นมะม่วง ท, งทั้งๆที่อยากกินมะม่วงมันโง่มันยังโง่อยู่อย่างนั้นพระองค์ยังออกบวชไม่ได้อันนี้ตมาเลยมา นึกว่าเนี่ยหลวงพ่อเลยมา น, นึกว่าในหลวงจริงๆจะออกบวชก็คงจะได้อยู่ในหลวงนี่ทำทำกรรมฐานเก่งด้วยนะทํากรรมฐานเก่งทั้งสมถกรรมฐานมีปรัชนากรรมฐา น, ม, าฐานมีความรู้ทางด้านธรรมะมากมาย เ, เวลาไปสอบถามปัญหาธรรมะกับครูบาอาจารย์เนี่ยนะสอบถามปัญหาธรรมะในขั้นที่ลึกซึ้งครูบาอาจารย์บางท่านเนี่ยถึงกับเอ่ยปากชมเลยว่า เป็นคําถามที่ลึกซึ้งมากเช่นเช่นครัง้งหนึ่งเคยไปถามพระพระหมหาเถระทั้งหลายบอกว่ารู้แต่ไม่เรียกไม่ไม่รู้จะเรียกชื่อว่าอะไรรู้แบบไม่เรียกชื่อชื่อว่ารู้ไหมนี <c> ่ <ười> คาถามมันลึกซึ้งขนาดนี้นะพระเถระทั้งหลายเนี่ยไม่กล้าตอบมีแต่เพียงหลวงพ่อพุธเท่านั้นเองรู้จักหลวงพ่อพุธไหม เคยได้ยินชื่อไหมหลวงพ่อพูดตอบว่ารู้นะเมตรู้ที่บอกว่าไม่รู้รู้ที่ไม่เรียกชื่อ่ารู้อะไรเนี่ยเป็นรู้ที่ละเอียดมากเป็นความรู้ที่ชั้นสูงสูงเลยอันนี้กลับมานี่เล่ามาเพื่อจะบอกว่าในหลวงเนี่ยปฏิบัติธรรมเนี่ยไม่ใช่ขั้นธรรมดาธรรมดาเลยขั้นสูงมากถ้าออกบทนี่ก็จะเป็นพระเถระที่มีภูมิรู้ที่สูงมากเลยแต่พระองค์ยังออกบทไม่ได้ยังออกบทไม่ได้เพราะว่า งานหน้าที่ของพระราชาของพระองค์เนี่ยที่ตั้งใจไว้ก็คือว่าทําอย่างไรที่จะให้ประชาชนอยู่ดีกินดีมีความรู้ที่จะช่วยเหลือตัวเองต่อไป mm hmm. เวลาพระองค์พัฒนาประเทศชาติเนี่ยนะไปอย่างที่อย่างที่น่าจะเรียกได้ว่าสร้างบา ร, รมีในแง่ที่ว่าเป็นวิริยะบา ร, รมีพระองค์จึงเลือกเอาเอาชาดกใน ที่บ่งบอกถึงความเป็นวิริยะบารมีคือเลือกเรื่องมหาชนกเนี่ยมาดัดแปลงถ้าในแง่ของพระพุทธเจ้าองค์ปัจจุบันพระองค์ก็เห็นเห็นเหตุการณ์ครั้งนั้นแล้วก็ออกบวชแต่ในแง่ของในหลวงของเรา <c oughs> เห็นเหตุการณ์ครั้งนั้นแล้วขออยู่ขออยู่สอนประชาชนในหลวงของเราเนี่ยอยู่สอนประชาชนทาไง บอกทฤษฎีพอเพียงเศรษฐกิจพอเพียงทฤษฎีใหม่อะไรนะสอนตรงเนี้ยเชื่อว่าครูก็คงสอนพวกเราแต่อาจจะไม่ได้บอกโดยตรงสอนอ้อมๆเป็นข้ อ, อเป็นจุดแยกนะ <c oughs> นักเรียนเรียนเรียนฉบับของพระไตรปิฎกใช่ไหมเหตุการณ์ครั้งนั้นต่อไปเป็นยังไงตกลงออกบวชไหมพระมหาชนก อ, ออกบวชไหม ออกบวชเลยบวชได้ง่ายง่ายไหมออกบวชได้ง่ายไหมไม่ง่ายเพราะว่าประชาชนทั้งหลายไม่อยากให้บวชใช่ไหมพระษีบรลีไม่อยากให้บวชพระองค์เนี่ยนะหลังจากที่ไปเจอเหตุการณ์ครั้งนั้นขอหลบอยู่คนเดียวหลบอยู่คนเดียวในพระราชวังแล้วก็ขอเครื่องแต่งตัวของนักบวชขออะไร ขอผ้าผ้าจีวรภาษาพระเรียกว่าผ้ากาสาวะผ้ากาสาวะคือผ้ายอมน้ำฝาดอย่างเงี้ยยอมน้ำจากแก่นขนนุนบ้างอะไรเงี้ยนะยอมน้าฝาดขอบาทแล้วก็โกนผมตัวเองอยู่เจ็ดวันนะแล้วก็ออกเดินออกมาประชาชนทั้งหลายก็รออยู่แล้วว่าโอ้ตั้งแต่เกิดเหตุการณ์แย่งมะม่วงกันเนี่ยนะพระราชา หายเงียบไปเลยไม่ออกมาว่าราชการไม่เจอใครเลยรวมทั้งพระนางศรีบรีด้วยพระนางศรีเตรียมที่จะเข้าเฝ้าแล้วเตรียมบุกแล้วนะปรากฏว่ากำลังคิดจะเข้ามาเข้าเฝ้าเนี่ยนะก็เห็นพระเห็นพระเดินสวนออกไปก็เข้าใจว่าอ๋อพระราชาของเราคงจะสนทนากับพระและพระท่านเพิ่งจะออกเพิ่งจะเดินออกไปที่ไหนได้พอขึ้นไปใน ในในห้องบรรทมปรากฏว่าไม่มีแล้วไม่มีใครเลยเก็เลยเอดใจว่าพระที่เดินสวนออกไปนั่น น, ะน่ะน่าจะเป็นพระมหาชนกนั่นแหละก็เลยนี่วิ่งตามวิ่งตามอ้อนวอนอ้ อ, อนวอนเท่าไรพระมหาชนกก็ไม่กลับสุดท้ายพระมหาชนกใช้วิธีหนายอกนามบงทุกคนบอกว่าพระองค์ยังเป็นพระราชาอยู่ให้กลับมาครองเมือง คนทั้งหลายต้องการให้ท่านเป็นพระราชาต่อไปพระมหาชนกที่บวชแล้วเนี่ยนะก็เลยใช้ไม้เท้ามีไม้เท้าอยู่อันหนึ่งขีดเส้นขีดเส้นแล้วบอกว่าในฐานะที่ท่านเรียกว่าเราเป็นราชาเราขอประกาศสิทธิ์บอกว่าเส้นนี้เป็นคำสั่งของเราว่าใครเดินผ่านเส้นนี้มาหาเราจะโดน ทำโทษเจ๋อไหมวิธีวิธีห้ามคนตามวิธีห้ามคนตามนะขีดเส้นเลยบนถนนต้องเป็นถนนที่ขีดได้นะไม่ใช่ถนนคอนกรีตต้องเป็นถนนที่เป็นดินขีดไปเลยแล้วก็บอกว่าใครที่ยังนับถือว่าเราเป็นราชาเราจะขอคำสั่งว่าคนที่เดินผ่านเข้ามาเนี่ยจะต้องได้รับโทษ สั่งว่าห้ามห้ามตามห้ามลำ้ำห้ามล้ําเส้นนี้มาไม่มีใครกล้าตามเพราะถือว่าพระองค์ยังเป็นพระราชาอยู่พระนางศรีพฤก็ร้องไห้เกลือกลิ้งเคยเคยร้องไห้เกือกลิ้งไหม <c oughs> จริงเหรอร้ <c oughs> องไห้เกือกลิง้ง <c oughs> นี่ยังไม่กลิงง้ <c oughs> นงนะฮือๆอยู่พนังศรีพฤนะกลิง้ลงร้องไห้แล้วกลิง้ง น่าสงสารขนาดไหนแต่มันมีข้อดีอย่างหนึ่งคือกริ่งไปกริ่งมาเส้นหาย <laughs> แสดงว่าไม่ใช่กริ่งธรรมดากริ่งไปกริ่งมาด้วยกริ่งไปกริ่งมาเส้นหายกริ่งจนล้าเส้นไปคนทั้งหลายเห็นว่าอา้า ว, สวเส้นหายแล้วพนักงานสิบวินีทําเส้นหายก็เลยวิ่งตามต่อโอ้โ <laughs> ห oh. <laughs> เป็นข้อดีของการร้องไห้เกลือกกลิ้งแต่สุดท้ายสุดท้ายพระมหาชนกนะบอกว่าการไปเป็นคู่อย่างเนี้ยที่พระศีวลีติดตามไปเรื่อยๆเนะเป็นเรื่องที่เป็นภาระพระองค์ก็ชี้ให้ให้ดูมีเด็กคนหนึ่งวิ่งมาข้างหนึ่งมีกำไรข้างเดียว ไอ้กำไรอันเดียวอีกข้างหนึ่งมีกำไรหลายๆอันใครใส่กำไรบ้างมั้งมีไหมไม่มีอะมีอันเดียวอ่าต้องเป็นกำไรแบบอะไรอ่ะกำไรหยกกำไรหยกทำไมต้องเป็นกำไรหยกเพราะว่ากำไรหยกเนี่ยนะวิ่งไปวิ่งมาเนี่ยนะไอ้ข้างที่มีหลายหอันเนี่ยมันจะกระทบกันเสียงดังอือพระมหาชนกเลยชี้ให้ดูว่าเนี่ยกำไรข้างเดียวเนี่ยนะมันไม่กระทบกับไครไม่มีเสียงดังส่วนข้างที่มีกำไรหลายหอันเนี่ยนะ วิ่งไปวิ่งมาเนี่ยมันก็กระทบกันการที่อยู่เกินหนึ่งคนการที่อยู่กันอยู่เกินหนึ่งคนเนี่ยนะเป็นไปได้ที่มันจะมีการกระทบกระทั่งกันดังนั้นเราไปคนเดียวคือไปออกบวชอยู่คนเดียวเนี่ยสบายกว่าอย่าตามเราเลย<ม>เธอก็เหมือนกันถ้าเธอไปอยู่คนเดียวจะสบายกว่าถ้าเธออยู่กันหลายๆคนนะก็จะ ก, กระทบกันเหมือนกำไรภาษีวิริย์ก็ยังไม่ไม่เชื่อนะไปจนถึงอีกที่หนึง่งคนกําลังทํา ลูกรู้จักลูกศอนไหมลูกธนูเวลาทำลูกสรนเนี่ยนะจะต้องดัดลูกธนูเนี่ยให้ตรงเวลาดัดลูกธนูเนี่ยนะต้องต้องเล็งกี่ต า, ตาเวลาเล็งต้องเล็งตาเดียวมันถึงจะเห็นว่ามันตรงหรือไม่ตรงพระมหาชนกก็ชีดูเนี่ยถ้าจะทำการงานอะไรที่มันให้ได้ผลดีจริงๆเนี่ยนะถึงขนาดที่ว่าต้องเล็งให้มันตรงๆเนี่ยใช้ตาเดียว ถ้าใช้สองตาทั้งท่านที่ตาแต่ละตาเนี่ยมีค่าแล้วก็มีมีคุณสมบัติที่ดีช่วยให้เห็นได้ชัดแต่ถ้าใช้สองตาเมื่อไหร่ไม่ได้ผล<ฮ>เช่นเดียวกับการบวชถ้าบวชแล้วก็ติดตามกันเป็นสองคนเนี่ยนะไม่ได้ผลการบวชนั้นไม่ได้ผลเพราะนั้นต้องไปคนเดียวบอกเหตุผลกับพระนางศรีวิรีว่าอย่าตามอย่าตามพระนางศรีวิรีเนี่ยนะนะต่อมาก็คือเป็นพระนางพิมพ์พาที่มาเป็ในในชาติสุดท้ายเนี่ยนะ จะเห็นเลยว่าการสร้างบารมีของทั้งสองพระองค์เนี่ยสร้างบารมีอย่างอย่างไม่ใช่ว่าสบายๆนะสร้างบารมีมาด้วยความภาคเพียรจริงๆเราเวลาศึกษาชาดกคือพุทธประวัติในในเรื่องของอดีตชาติของพระองค์เนี่ยนะศึกษาตรงนี้แล้วเนี่ยต้องเอาอย่างเอาอย่างในปฏิปทาของพระองค์เอาอย่างที่ว่าพระองค์มีความเพียรก็ต้องมีความเพียร ไม่ขอร้องคนอื่นแม้กระทั่งเทวดาที่เห็นอยู่ต่อหน้าก็ไม่ขอร้องไม่ขอให้ช่วยใช่ไหมอย่างที่พระมหาชนกนคุยกับพระนางอะไรนางนนมณีเมฆาลาคุยไปคุยมาบอกไหว้ต่อคุยเสร็จแล้วบอกพูดถึงเรื่องคุณของวิทยาบารมีแล้วไม่ขอให้ช่วยด้วยขอจะไหว้น้ําต่อเราก็ต้องเอาอย่างนะทําความเพียรของเรา ในการดูหนังสือในการช่วยพ่อแม่ด้วยช่วยครูด้วยช่วยเหลือเพื่อนกันเองด้วยทุกครั้งที่มีการช่วยเหลือกันเราได้บารมีคนที่ขอให้เราช่วยคนนั้นยังไม่ได้บารมีเข้าใจไหมคนที่ไปช่วยคนอื่นน่ะได้บารมีไปช่วยพ่อแม่ก็ช่วยด้วยต้องการให้งานของพ่อแม่เสร็จเร็วช่วยทําอะไรบ้างเคยช่วยพ่อแม่ทําอะไรบ้างนะใครเคยช่วยกวาดบ้านบ้างมีไหม ใครเคยช่วยถูบ้านบ้างใครเคยล้างห้องน้ําบ้างอืมโอ้ใครช่วยซักผ้าบ้างมีไหมโอ้โหดีมากดีมากใครเคยช่วยทําสวนมีมีสวนที่บ้านมีหรอโอ้ใครเวลาเพื่อนเวลาเพื่อนหกล้มเคยไปช่วยเพื่อนบ้างมีไหมโอ้ เวลาเวลาเขามีของเราเคยไปช่วยเขายกบ้างมีไห ม, มนี่แหละทำตัวเองเป็นประโยชน์นะ <c oughs> อ้าวคิดว่าพอสมควรคิดว่าพอสมควรนะเนาะเท่าที่เล่ามาใครใครสงสัยตรงไหนบ้างมีไหมมีคำถามบ้าง ม, ม, มีไหมฮะ เด็กถามก็ได้นะพะอ่อใหญ่ถามก็ได <c oughs> ้นะอขอไมค์ขอไมค์มาให้น้องหน่อย <c oughs> คุณครูบอกว่าให้ถามเฉพาะเรื่องพุทธประวัติอืออา ห้ามถามนอกเรื่องอ้าวทุกคนเงียบก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวขอจะฟังถามเลยถามเลยเหตุใดพระองค์จึงเกิดเป็นสัตว์ต่างๆเพื่อให้เกิดมาเป็นพระพุทธเจ้าเหตุใดอ๋อพระโพธิสัตว์ใช่ไหมทําไมพระโพธิสัตว์จึงเกิดเป็นสัตว์ต่างๆเพื่อจะเป็นพระพุทธเจ้าอันนี้เป็นปกติ การเกิดมาเพื่อสร้างบา ร, รมีของพระพุทธเจ้าเนี่ยต้องใช้เวลาในการสร้างบา ร, รมีถึงเสียสงไข่กระแสนกับนานมากเพราะนั้นในระหว่างในระหว่างที่พระองค์ได้รับพยากรครั้งแรกคือชาติที่เป็นสุมเมศสุมเมธดาบทจนกระทั่งมาเป็นพระพุทธเจ้าเนี่ยนะใช้เวลา4สียสงไข่กแสกับเนี่ยนะในสังสารวัตขณะนั้นนะ่ะเลือกไม่ได้เลือกไม่ได้ว่าจะไปเกิดเป็นอะไร ถ้าทำฌานได้ก่อนตายก็จะไปเกิดเป็นพระพรหมหมดอายุจากพระพรหมมาก็ยังเลือกไม่ได้ว่าจะเป็นอะไรอาจจะเป็นคนบ้างเป็นอะไรไปตามตามกรรมที่ตัวเองสร้างแต่เกิดชาติใดก็แล้วแต่มักจะมีความระลึกได้ว่าจะต้องมาสร้างบารมีนั้นไม่ว่าจะมาเป็นคนจะเป็นสัตว์เป็นนกเป็นช้างเป็นมา้าจะเกิดมาแล้วระลึกอยู่เสมอว่าจะสร้างบารมีนั้น เลือกไม่ได้เหตุที่เลือกไม่ได้เพราะว่ากรรมที่จะนํามาให้เกิดเนี่ยมีหลากหลายกรรมดีก็ทําให้เป็นมาเกิดเป็นสุคติในระหว่างที่กําลังสร้างบา ร, รมีนั้นก็อาจจะมีกรรมที่ไม่ดีเหมือนกันก็พาให้ไปสู่ทุคติก็ ม, บ ม, รร ม, รกกมีบางชาติมาเป็นสัตว์นรกก็มีบางชาติมาเป็นสัตว์เดรัจฉานก็มีในระหว่างที่สร้างบา ร, รมีเนี่ยนะอย่างเช่นในชาติที่ชาติที่ เกิดมาเป็นตเต ม, มีพระเตมีเคยได้ยินไหมพระเตมีพระเตมีเนี่ยยังเลือกยังระลึกชาติของพระองค์ได้ว่าในอดีตเคยมาเป็นพระราชาเมืองนี้แล้วก็ทําผิดคือไปลงโทษคนผิดลงโทษคนที่เขาเขาไม่มีความผิดไปลงโทษเขาผลจากการลงโทษแบบนั้นโดยที่ลงโทษคนที่เขาไม่มีความผิดเนี่ยนะทำให้พระองค์ต้องไป เกิดในนรกอยู่หลายปีดังนั้นในระหว่างที่เป็นพระโพธิสัตว์เนี่ยนะยังไม่ตัดสรู้เป็นพระพุทธเจ้าอยู่ตราบใดเนี่ยการเวียนเกิดเวียนตายนี่ยังไม่แน่นอนยังสามารถไปไปอยู่ทุกขติได้การเป็นสัตว์แต่ละประเภทก็อยู่ในภูมิของทุกขติซึ่งเป็นไปได้เป็นธรรมดาอ่าคนต่อไปอ้าวไมโครโฟนอยู่ไหนแล้ว ไปเกิดได้เกิดได้แทบทุกที่เว้นแต่เว้นแต่ไม่ไปเกิดเป็นพรมประเภทหนึ่งที่เรียกว่าพรมลูกฟักเรียกว่าอสาันอสันจะสัตตาพรมเป็นพรมที่แบบว่ า, วาดับสัญญาไม่เป็นอย่างนั้นคือเสียเวลานานไป ทำไมตั้งไม่เป็นสัรจสัตตาผมเพราะว่าเป็นพรมอย่างนั้นนะจะมีอายุยืนนานแล้วก็เสียเวลาที่จะสร้างบารมีไม่เป็นไม่เป็นอะไรอ่ะไม่ตกนรกในชั้นที่เรียกว่าโลกันตะนรก <c oughs> ซึ่งเป็นนรกสำหรับคนที่มิจฉาทิฐิอย่างแรง <c oughs> ส่วนนรกอื่นๆตกได้ <c oughs> ยังตกได้อยู่อา้าวมาอยู่ไหนแล้วเนี่ย อ่าวเดี๋ยวคนคนนี้ก่อนคนนี้ก่อน <c oughs> ถามได้ถามได้พระพุทธเจ้าตัดสรูกี่วันฮะอะไรนะตัดสรุกกี่กี่วั น, นะวนเหรอวันเดียวตัดสรุน่ะวันตัดสรูวันเดียววันไหนวันเพ็ญเดือนหก <c oughs> ไม่ใช่ว่าตัดสรูทุกวันไม่ใช่องนั้นนะตัดสรูแล้วเป็นพระพุทธเจ้า แต่เป็นพระพุทธเจ้านับจากวันตัสรุแล้วนะเป็นพระพุทธเจ้าทุกวันวันตัสรุวันเดียวและครั้งเดียวขณะแห่งตัสรุมีขณะเดียวนะไม่ใช่ว่าเออยากวันนี้อยากตัดตัศรุอีกทีไม่มีตัสรุแล้วตัศรุเลยเข้าใจไหมบรรลุแล้วการบรรลุเน่ยบรรลุครั้งเดียวแต่หลังจากบรรลุแล้วเนี่ยเป็นตัสรุแล้วก็เป็นพระพุทธเจ้ามาตลอดนะอ่าคนนุ่มต่อไปลำดับต่อไป ในชาติของพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าเคยทำบาปบ้างไหมคะในชาติของพระพุทธเจ้าถ้าเป็นพระพุทธเจ้าแล้วไม่ทํำบาปแล้วแต่ถ้ายังเป็นพระโพธิสัตว์เนี่ยยังมีโอกาสทํำบาปได้ต่อไปอก็คือชาติชาติก่อนๆเอ๊อ ะ, อะตอนที่ รอยถาดแล้วมันมีถาดอยู่สามถาดแล้วอบุเจ้าก่อนมีพร ะ, ะ, ะ ก, ก็คืออบุตเจ้าองค์ก่อนชื่อว่าอะไรบ้างครับที่เคยตัดสรุมาก่อน <laughs> อ๋อพระเจ้าองค์ก่อนๆในกลับนี้โกนาขมาโนรู้จักไหมเคยได้ยินบ้าเ <laughs> อเดี๋ยวเ องแรกนะกากุสันโทองค์ที่สองโกนาคมโนองค์ที่สามกัตสโปโองค์ที่สี่คือโคตมโมคือองค์องค์ศา ส, สนาปัจจุบันนี้องค์ที่ห้าพระเมตรตรเมตรโยองค์ที่ห้ายังไม่มาองค์ปัจจุบันนี้เป็นองค์ที่สี่นะอ้าวต่อไปมาอยู่ไหนอ้าวนี้ทางนี้ทางนี้ก่อนทางนี้ก่อน ตอนที่พระพุทธเจ้ากําลังจัปรินิพานครับหน้าของท่านแจ่มใสไหมแล้วท่านมีความสุขไหมครับเอาหม่ยสิเอาหม า, า, หมาคือตอนที่พระพุทธเจ้าจัปรินิพานครับหน้ั่งท่านแจ่มใสไหมแล้วท่านมีความสุขไหมครับมีความสุขตอนที่พระพุทธเจ้าปรินิพานเพื่อนถามนะตอนที่พระพุทธเจ้าปรินิพานพระองค์มีความสุขไหม ения? มีทุกเนี่ยมีเฉพาะทางกายกายเนี่ย กายเนี่ยเป็นปกติที่จะต้องมีความทุกข์มีความแก่ความเจ็บความตายก็คือเรื่องเือของกายแต่จิตไม่มีทุกข์เลยไม่มีทุกข์ตั้งแต่ตัสรู้นะนับแต่นั้นมาเนี่ยไม่มีความทุกข์ทางจิตเลยแต่กายเป็นปกติที่จะมีทุกข์ได้สี่อสงไขยแสนมหากับนานเท่าไหร่ครับโอ้โหสี่อสงไขยกระแสนกับนานเท่าไหร่ พูดยากพระพุทธเจ้าเวลาจะแต่สบายใจได้นะไม่ใช่เราสงสัยอย่างเดียวสมัยก่อนคนสมัยก่อนก็สงสัยเหมือนกันพระพุทธเจ้าก็เลยเปรียบเทียบให้ดูว่าสีสงขัยกระแสนกับเนี่ยนานแค่ไหนหนึ่งกับเนี่ยนะถ้าจะเทียบดูดเนี่ยหนึ่งกับก็คือพระองค์ก็ให้นึกถึงว่ามีก้อนหินก้อนหนึ่ง ก้อนหินก้อนหนึ่งสูง16กิโลเมตรกว้าง16กิโลเมตรยาว16กิโลเมตรเป็นสี่เหลี่ยมอ่ะเป็นลูกเตา๋ากว้างยาวสูงเนี่ย16กิโลเมตรภาษาจริงๆแล้วเขาเรียกว่า1โยด์หนึ่งโยต์ก็คือ16กิโลเมตรรอ้อปีเอหินก้อนนี้หินทึบด้วยนะหินตันทึบๆไม่มีรูกรวงข้างในเลย ร้อยปีมีเทวดาเอาผ้าทิพย์มาลูบครั้งหนึ่งและก้อนหินก้อนนี้ไม่มีการสึกหรอไม่มีการเสื่อมสลายจากลมจากแดดจากฝนหรืออะไรอื่นเลยจะเสื่อมสลายต่อเมื่อมีผ้าทิพย์จากเทวดามาลูบเท่านั้นแล้วระยะเวลาในการลูบก็คือหนึ่งร้อยปีมาลูบทีหนึ่งจนกว่าหินก้อนนี้จะเหี้ยนไปจะหายไปนานไหม โอ้โหประมาณไม่ได้เลยเพราะนั้นหนึ่งกับเนี่ยประมาณประมาณปีไม่ได้เลยคิดง่ายๆคิดง่ายๆนะคือจักรวาลจักรวาลนี้รู้จักจักรวาลไหมจักรวาลเนี่ยเกิดดับครั้งหนึ่งคิดเป็นหนึ่งกับคิดเป็นหนึ่งกับหนึ่งกับอนับเป็นหนึ่งเกิดดับเกิดจักรวาลขึ้นมาใหม่ดับไปอีกทีนับเป็นสองกับจักรวาลใหม่เกิดทีแล้วก็ดับไปนับเป็นสามกับ นับไปเรื่อย10กับยี่สิบกับร้อยกับพันกับหมื่นกับแสนกับล้านกับจนนับไปท่วนนับไปท่วนเรียกว่าหนึ่งอสงไขยอสงไขแปลว่านับไม่ได้อ่ะแปลว่าไม่สังขยาหรือสงไขเนี่ยคือการนับสังขยาสังขยาไม่ใช่ขนมสังขยาแปลว่าการนับเข้าใจไหมเพราะนั้นถ้าถามว่าเสียสงไขกระแสนกับนานเท่าไหร่ก็เอากับก่อนกับนานเท่านั้นนะ่ะ <c oughs> คือตอนในกระตูนะครับมันมันมีตอนที่พระพุทธเจ้าจะกินเห็ดพิษวยครับมันมันเป็นเอ่อของ อ, อ, อ, อ, อาหารอันพิษนะครับอะไรนะก่อนปรินิพพานจุนทะใช่ไหมอาหารมื้อสุดท้ายใช่ไหมเออทำไม คือว่าพระพุทธเจ้าเขารู้ใช่ไหมครับว่ามันเป็นพิษหรืออะไรแบบเนี้ครับโอแล้วเขา<พ>รู้แล้วทําไมเขาถึงกินนะครับอ <laughs> อาภาษาเด็กๆ เ, เขารู้แล้วก <laughs> ็คือพระองค์รู้แล้วพระพระองค์รู้แล้ ว, ลวทําไมยังเสเวยนะ์ถามว่ารู้ไหมว่าเป็นพิษยังไม่บอกว่าเป็นพิษหรือไม่เป็นพิษนะไอเป็นพิษเนี่ยเรามาตีความกันทีหลัง แต่พระองค์รู้ว่าวันนี้เป็นวันสุดท้ายในชีวิตในพระชนชีพของพระองค์อาหารอันนั้นน่ยไม่ใช่ว่ามีพิษนะไอ้เท่ว่าเราบอกว่ามีพิษเนี่ยเรามาตีความกันเองอาหารมื้อนั้นเนี่ยพระองค์มาบอกทีหลังหลังจากเสเวยแล้วเนี่ยพระองค์มาตรัสบอกกับพระอานนบนบอกว่าอานน์อาหารที่มีที่บินทบาดนะมันบอกอาหารนะบอกบินทะบาด ท, ที่มีอนันิสงมากมีอยู่สองครั้ง ครั้งหนึ่งคือบิณตบาด ท, ที่พระองค์เสเวยแล้วมาตัดสรุครนั้นใครใครถวายนางสุชาดาถวายบิณตบาดก่อนที่จะจะตัดสรุปอีกครั้งหนึ่งที่มีมีอนิสงส์เสมอกันเลยคือมือสุดท้ายคือนายจุนทะที่ถวายในวันสุดท้ายเพราะฉะนั้นนายจุนทะไม่ได้ถวายอาหารเป็นพิษเข้าใจไหมเพียงแต่ว่าอาหารมือนั้นเป็นอาหารที่พระองค์เสเวยแล้วจะปรินิพานเค okay. ไม่ได้หมายความว่าเป็นอาหารพิษแล้วนี่อีกอย่างหนึง่งพระองค์บอกกับพระอานนท์บอกว่าให้ไปบอกนายจุนทะด้วยไม่งั้นแล้วนายจุนทะจะเสียใจตรงที่ว่าเสเวยอาหารของเขาแล้วพระองค์มาปรินิพานเดี๋ยวจะเสียใจว่าพระองค์ปรินิพานเพราะอาหารของเขานี่สั่งพระอานนท์เอาไว้ว่าไม่ใช่ไม่ใช่อาหารของนายจุนทะเป็นเหตุให้พระองค์ปรินิพานแต่พระองค์จะปรินิพานอยู่แล้ว และอาหารมื้อนั้นเป็นอาหารมือ้อสุดท้ายเหตุที่ไม่ให้ใครมาเสวยมาร่วมเสวยอาหารมื้อ mm น hmm ั้นพระองค์ไม่ได้บอกว่าเพราะอาหารเป็นพิษไม่ได้บอกเป็นไปได้ว่านี่ตมามาตีความเาเองเป็นไปได้ว่าอาหารมื้อนั้นเป็นอาหารมื้อสุดท้ายของพระองค์ไม่มีใครมีบารมีมากพอจะเสวยหรือว่าร่วมร่วมเสวยหรือร่วมฉันเพราะเป็นอาหารจาเพาะ เหมือนอะไรอ่ะบุญไม่ถึงบารมีไม่พอเข้าใจไหมไม่ใช่หมายความว่าสสเสบยอาหารที่เป็นพิษอันนั้นคําถามนี้มันมาจากการตีความว่าอาหารนั้นเป็นพิษซึ่งตีความผิดถ้าอาหารเป็นพิษและพระองค์ยังสเวสวยแสดงพระองค์ฆ่าตัวตาย <laughs> ใช่ไหมไม่มีไม่ใช่อาหารนั้นเป็นอาหารอย่างดีคําว่าสุกระมาถวะเป็นชื่อของอาหารต่ถามว่า ทำจากอะไรก็ยังเถียงกันอยู่ว่าพันทจากอะไรสรุปแล้วเป็นอาหารที่ดีนายจุนทะทำอาหารอย่างดีถวายพระพุทธเจ้าพระทเจ้าเสเวยแล้วไม่ให้ใครมาร่วมเสเวยอีกเพราะว่าอาหารนั้นเป็นอาหารจำเพาะพระองค์ใครมาเสเวยแล้วไอ้ใครมากินมามาร่วมฉันแล้วจะไม่ย่อยเพราะว่าไม่ใช่บารมีของเขานี่อย่างงี้นะไม่ใช่ว่าจุนทะทาไม่ดีแล้วก็ไม่ใช่ว่าพระองค์รู้ว่ามีพิษแล้วเสเวย ครับปรับปรับทัศนคติใหม่ <c oughs> <c oughs> อ้าวทางน้นทดสอบทดสอบทำไมเออถ า, าที่พระพุทธเจ้าวางลงน้ำแล้วมันจมไปแล้วมันไปเออข้างใต้สามถานะครับทำไมมันไปข้างใต้ไม่ไปข้างบนอ๋อพระองค์อธิษฐานตรงนี้เป็นเรื่องของสัจจาธิษฐาน<อ>เหมือนกับที่พระโปราชนก ได้ตั้งสัจจาธิฏฐานว่าถ้าข้าพเจ้าไม่คิดร้ายต่อพี่ชายขอให้เครื่องตรวนนี้หลุดออกไป <c oughs> เช่นเดียวกันพระโพธิสัตว์ตอนนั้นยังเป็นพระโพธิสัตว์นะตั้งสัจจาทิฏฐานว่าถ้าจะบรรลุเป็นพระสัมมาสัมโพธิญาณเป็นพระพุทธเจ้าในวันนี้ขอให้ถาดลอยทวนน้ำ <c oughs> ไดะด้วยอํานาจสัจจะบารมีถาดก็ลอยทวนน้า ไม่ได้ไม่ได้มาด้วยฤทธิ์ของเทวดาไม่ได้มาด้วยฤทธิ์ของพระองค์แต่ด้วยสัจจาทิฏฐานอันนี้มันเรื่องเหนือสามัญวิสัยอา้าวมาอยู่ไหนละอา้าวต่อไปต่อไป อ, <c oughs> อ๋อทัอเด็กยังมีคำถามว่าทำไมถาดจึงไปอยู่ใต้าบาดาล มันเป็นเรื่องอะไระบอกอยู่ใต้ด้วยเหรอไม่ได้อยู่ใต้นะมีถาดอยู่สามใบแล้วใบนี้ก็ไปอยู่รวมกันมีอยู่ใต้ด้วยเหรอฮะซ่อนข้างล่างเหรอเอออันนี้อาจามาไม่ได้รู้รายละเอียดขนาดนั้นรู้แต่ว่าไปรวมกันแล้วมันไปไปคลิก อันนี้อันนี้ไม่รู้รายละเอียดขนาดนี้อ้าวาต่อทำไมพระพุทธเจ้าเห็นโยมาทูตทั้งสี่ถึงอยากออกบวชอะไรนะทําไมพระพุทธเจ้าแห่งเห็นโยมาทูทั้งสี่ถึงอยากออกบวชทําไมเห็นแล้วอยากออกบวชเรียกเทวทูตนะเทวทูตอ้าว อ, อไม่เป็นไร ใช้คําพลาดไปนิดนึงทําไมพระพุทธทำไมเจ้าชายสิทธัตถะเห็นเทวทูตทั้งสี่แล้วจึงอยากออกบวชจริงๆโดยพระทัยของท่านเนี่ยน้อมไปทางนั้นอยู่แล้วโดยบารมีที่พระองค์สร้างมาสร้างสร้างบารมีมาสี่อสงไขยกระแสนกับเนี่ยเพื่อจะจะมาตรัสสรุปเป็นพุทธเจ้าเพระพาะฉะนั้นต้องออกบวชอยู่แล้วฉะนั้นมีอะไรสะกิดนิดนึงเนี่ยจิตใจก็จะน้อมไปทางนั้นอยู่แล้ว เห็นคนแก่คนเจ็บคนตายจิตใจก็จะมีความเบื่อหน่ายในการครองเรือนอยู่แล้วยิ่งมีเทวทูตข้อสุดท้ายคือเห็นนักบวชเลยเป็นแบบเห็นเลยว่าช่องทางที่จะไปพ้นจากการแก่การเจ็บการตายเนี่ยมีช่องทาง น, นี้อย่างเดียวคือไปออกบวชการอยู่ในเพศคารวาสอยู่ในพระราชวังมีการบุมบังเรอด้วยสิ่งต่างๆมากมายในราชวังอย่างนี้ไม่ใช่เป็นภาวะที่เหมาะ ที่จะไปหาทางพ้นทุกข์หรือการตัดสุขนะฉะนั้นเหมือนกับเป็นจุดประกายความคิดขึ้นมาว่าควรจะไปออกบวชเพราะว่าเป็นทางเดียวที่จะให้ถึงความตัดสุ้ได้อ้าวคายถึงโน่นแล้วถึงไหนอ่าคราวนี้ถือไม้แล้วถือไมแอออ้แล้วเอ่อพาย่ะอ่ะทีละคนทีละคนน้องผู้ชายก่อนน้องผู้ชายก่อน พยามาลที่ขัดขวางพระพุทธเจ้าชื่ออะไรคะพยามาลชื่อว่าอะไรชื่ออะไระวัดสวัสดีใช่ไหมวัดสวัสดีมามวัดสวัสดีมานถ้าจําชื่ออะไรไม่แม่นนะตอนนี้เราไม่แม่ น, มมนชื่ออะไ ร, ออะ ไ, รไปเปิดหนังสือดีกว่าอ่าวน้องคนนี้น้องผู้หญิงคนนี้ ทำไมพระพุทธเจ้าต้องตัดสินใจออกบวชทั้งๆที่ต้องทิ้งลูกเมียคะทำไมจึงออกบวชทั้งๆยังมีลูกเมียเพราะว่าเห็นแล้วว่าการมีลูกมีเมียมีห่วงจิตใจมีห่วงมีกังวลถ้ายังมีความห่วงมีความกังวลอย่างนี้จิตใจยังไม่มีอิสระจิตใจที่มีความห่วงกังวลไม่เป็นอิสระอย่างนี้ไม่มี ไม่พร้อมพ อ, อ ไ, ไม่พร้อมพอที่จะมาหาทางที่จะพ้นทุกข์ เ, เพราะฉะนั้นพระองค์เห็นว่าทิ้งไปก่อนคือออกบวชก่อนไปหาทางพ้นทุกข์ก่อนแล้วจะกลับมาบอกให้กับลูกเมีย ค, คื อ, อคพนางพิมพาแล้วก็ราหุลทั้งหลายเนี่ยรวมทั้งพ่อทั้งแม่ทั้งย่าทั้งหลายให้ไปตามภายหลังแต่ถ้าไปกันพร้อมๆกันอย่างนี้โดยที่ยังมีครอบครัวอยู่นี้นะจะไปไม่รอดกันทั้งหมด เข้าใจมนั้นพระองค์ไปหาทางรอดก่อนแล้วจะกลับมาช่วยเหลือทำไมถึงพระพุทธเจ้ารู้ได้ไงว่าตัวเองปรลิศนิพพานวันไหนอ๋อนี่เป็นเป็นอะไรเป็ น, ปนความสามารถพิเศษของพระพุทธเจ้า <c oughs> <c oughs> อ่ะต่อไปต่อไป ไหนคนไหนทำไมละทิ้งกิเลสแล้วถึงตัดสรูได้ <c oughs> มันเป็นเหตุเป็นผลกัน <c oughs> ถ้ายังมีกิเลสก็ไม่ตัดสรตวถ้าตัดสรู้แล้วก็ไม่มีกิเลส <c oughs> เหมือนกับว่า <c oughs> เปิดไฟแล้วสว่าง <c oughs> ปิดไฟแล้วมืด <c oughs> อ๋อ ไ, ได้้เอาให้เวลาอีกเจ็ด <c oughs> นาที ได้ไเดี๋ยวเด็กๆนะเหลือเวลาอีกประมาณเจ็ดนาทีถึงบ่ายสามแล้ ว, ลวเด็กๆต้องต้องไปเรียนต่อแต่เด็กออกไปแล้วเ <c oughs> ดี๋ยวผู้ใหญ่ต่อได้ <c oughs> อ้าออ่อต่อต่อต่อต อ, <c oughs> อ้าทำไ ม, ไมทำไมพระองค์ถึงไม่กลัวมารฮะทำพระพุทธเจ้าถึงไม่กลัวมารทําไมไม่กลัวมารอย่าว่าแต่มารเลยใครใครก็ไม่กลัวพระเจ้าไม่กลัวแล้วไม่มีความกลัวแล้วเพราะความกลัวเป็นอกุศลนะ ความกลัวนี่มาจากความไม่รู้จริงพอพระพุทธเจ้ารู้แล้วตัดสรู้แล้วรู้แจ้งโลกแล้วไม่มีความกลัวอะไรหลงเหลืออยู่เลยเะเหมือนกับที่พระมหาชนกนะพระมหาชนกรู้แล้วว่าตัวเองเป็นลูกใครใครมาด่ามาใครมาว่าใครมาล้อไม่ไม่โกรธแล้วเพราะรู้ความจริงแล้วแต่ความจริงที่พระพุทธเจ้าตัดสรู้นะ่ะจริงยิ่งกว่าที่มหาชนกตอนเด็กเด็กรู้นะอ่ะ <c oughs> ต่อต่อ ถามเลยถามเลยทำไม80ปีพระพุทธเจ้าถึงหน้าตายังดูดีอยู่อะคะเพราะว่าจิตใจดีจิตใจดีแล้วก็ไม่มีวิบากคนที่มีรูปร่างที่ไม่สวยงามเพราะมีวิบากผิดศีลนะคนที่มีสุขภาพไม่ดี จ็ป่วยอ อ, อดอแอะอยู่เรื่อยๆเพราะว่าผิดศีลข้อ1บ่อยอคนที่ทรัพสมบัติไม่ดีมีทรัพสมบัติน้อยเพราะผิดศีลข้อ2บ่อยคนที่มีทุกข์ใจเรื่องของรักขายไปเรื่อยๆเนีเพราะผิดศีลข้อ3าบ่อยคนที่ถูกต่อว่าถูกดา่าถูกนินทาบ่อยๆเพราะว่าผิดศีลข้อ4บ่อยคนที่ท่องจําอะไรไม่ได้เลยขาดสติมากๆเนยนะเพราะผิดศีลข้อหบ่อยไปทําตัวเองให้เมาเดังนั้นพุทธเจ้าเนี่ย ไม่ได้ทําผิดศีลต่างๆเหล่านี้มานานแล้วพระองค์จึงไม่ไม่มีวิบากเรื่องธาตุขันในรูปร่างของพระองค์แม้จะชาราภาพแล้วก็ยังดูดี <c oughs> อา้าวใครต่อ <c oughs> ทําไมพระพุทธเจ้าถึงตั้งเป้าหมายว่าจะเป็นพระพุทธเจ้าคะเพราะมีพระมหากรุณามีมหากรุณาคืออยากจะ ช่วยคนให้พ้นทุกข์ไม่คิดจะพ้นไปคนเดียวคิดว่าจะทำอะไรให้ตัวเองพ้นด้วยและให้คนอื่นพ้นตามด้วยเ ป, เป็นพระมหากรุณาใครต่อใครต่อมีอีกไหมเมื่อกี้ใครตรงนี้เหมือนจะถามไม่ถามใช่ม พระเช่นพระอนุรานะครับอะเออพอพอพระพุทธเจ้าตัดสรุแล้วเราพระองค์อื่นเช่นพระอนนุ์อะไรอยู่ที่ไหนอ่ะครับตอนที่ตัดสรุแล้วใช่ครับพระองค์อื่นๆอยู่ไหนกันตอนที่ตัดสรุอะครับหมายความว่ายังไงตัดสรุค่ะตอนที่ตัดสรุที่มีพยาบาลมาบุกอะครับพระองค์อื่นอยู่ไหนใช่ไหมใช่ครับไม่มีเลยยังไม่มีใครบวชเลย พระพุทธเจ้าออกบวชไปอยู่กับปัญจวัคคีนะแล้วปัญจวัคคีก็เห็นพระพุทธเจ้าเริ่มเสวยกลับมาเสวยใหม่ก็เห็นว่าพระพุทธเจ้าเสวยแล้วเนี่ยแสดงว่าพระองค์น่าจะน่าจะหมดหวังที่จะตัดสรตวแล้วกลืนทิ้งพระพุทธเจ้าไปตัวเองหนีไปอยู่กรุงพา ร, ราณสีไปอยู่ที่ป่าอิสิปตนาเมืองกทมพระพุทธเจ้าก็ยังอยู่ที่เดิมอยู่ที่อยู่ที่ไหนอยู่ที่ขยาอยู่บริเวณแม่นม้ําเนรันชารานั่นแหละ นะจริงๆแล้วนักบวชที่อยู่ด้วยกันจริงๆเนี่ยมีแค่5ท่านคือปัญจวัคคีย์องค์อื่นยังไม่บวชเลยฤาษีที่อยู่ใกล้ๆกันก็ยังยังไม่ได้มาคลุกคลีกันชดินสามพี่น้องก็อยู่ใกล้ๆกันนะอยู่ใกล้ๆกันนะตรงนั้นเรียกว่าอุรุเวลาเสนานิคมแต่ก็ไม่ได้มายุ่งเกี่ยวกันพอตัดสู้แล้วไปโปรดปัญจวัคคีย์แล้วออกพรรษาแล้วเนี่ยจึงจะมา จึงจะมาโปรดชดินสามพี่น้องซึ่งก็อยู่ในในบริเวณใกล้เคียงกับที่พระองค์ตัสรู้จะบอกว่าพระอานนท์ตอนนั้นอยู่ไหนพระอานนท์อยู่ที่กรุงกบิลพัทมีใครอีกไหมอ่า ยังไงยังไงอ่าน่าจะเป็นคนสุดท้ายอ่ะทำไมพญานาคที่เฝ้าถาดถึงไม่ตายอ่ะอะไรนะทำไมพญานาคที่เฝ้าถาดของพระพุทธเจ้าถึงไม่ตายอ่ะอ๋อพญานาคที่เฝ้าถาดเหรอจริงๆไม่ได้เฝ้านะทำไมพญานาคอายุยืนใช่ไหมใช่เพราะพญานาคเนี่ยมีอายุเป็นทิพย์และแสดงว่าพญานาคเนี่ย ไม่ได้ไม่ได้ผิดศีลข้อหนึ่งมานานถ้าผิดศีลข้อหนึ่งมานานเนี่ยอายุจะสั้นศีลข้อหนึ่งรู้จักไหมปานาติบาทแล้วก็เป็นเป็นอายุทิพย์ของเทวดานาคได้เป็นเทวดาอย่างหนึ่งนะนาคได้เป็นเทวดาชั้นหนึ่งที่อายุมากอย่างที่บอกแล้วว่าอายุของคนร้อยปีเนี่ยเท่ากับเทวดาวันเดียวเพราะนั้นเทวดาที่เป็นพญานาคเนี่ยอายุยืน อายุยืนอยู่กระทั่งตั้งแต่พระพุทธเจ้าองค์แรกเลยจนถึงองค์ปัจจุบันแล้วก็อยู่ยาวจนยันองค์ที่ห้าพระศีอริยะเมตรัยก็อยู่ตรงนั้นแหละตอนนี้ยังหลับอยู่หลับต่อจะตื่นอีกทีตอนที่พระอริยะเมตรัพระศรีอริยะเมตรัยจะมาตัดสรุ้พอพระศรีอริยะเมตรัยก็จะทําแบบเดียวกันเลยนะพระศรีอริยะเมตรัยก็จะมาลอยถาด อธิษฐานแล้วถาดใบสุดท้ายของพระศรีอะเมตัยไปกระทบคราวนี้พญานาคตื่นคราวนี้ตื่นแล้วตื่นเลยตื่นแล้วก็มาฟังทำพระศรีอยเมตยัยแล้วก็กลายเป็นไม่รับต่อแล้ว <c oughs> มีมีห้าองค์ในกลับนี้องค์ <c oughs> ต่อไปจะรอองค์ต่อจากพระศรีอะเมตัยเนี่ยนะ <c oughs> จะต้องรอให้สิ้นกลับนี้ก่อนคือจักรวาลแตกดับก่อน <c oughs> แล้วเริ่มใหม่ เริ่มเริ่มมีการฟอร์มตัวของจั ก, กรวาลมีลูกโลกอะไรขึ้นนี้ขึ้นมาใหม่แล้วจึงจะมีการมีคนมีมีระบบคนขึ้นมาใหม่มีใครอีกไหมจะถามไหมให้ถามก็ได้อาให้โอกาสให้โอกาสเร็วเร็วเร็วสุดท้ายสุดท้าย <c oughs> อ่ากลางโพยได้อนุญาต <c oughs> ทำไมพระพุทธองค์ทรงเสวยมีวิมุติสุขหลายแห่งคะอ๋อวิมุติสุขที่พระองค์เสวยเนี่ยนะเสวยอยู่ถึงเจ็ดสัปดาห์ทำไมถึงเสวยไปหลายแห่งเพราะว่ามีเวลาเสวยวิมุติสุขอยู่นาน ครั้งแรกที่เสวยมือติสุกก็คืออยู่ที่ใต้โคนโพคือนั่งตัดสรุตรงนั้นแล้วก็นั่งเสวยมุติสุขต่อไปเลยพอครบเจ็ดวันแล้วก็เดินเดินไปก็เดินไปสักระยะหนึ่งแล้วหันมามองมองต้นโพที่พระองค์ตัดสรุเห็นสถานที่ที่พระองค์ตัดสรุแล้วก็ระลึกถึงว่าต้นโพนี้มีพระคุณต่อพระองค์ก็เพ่งพระเนตร เพ่งพระนตรหมายถึงว่ามองดูต้นโพโดยไม่กระพริบใช้เวลาอยู่ในบริเวณนั้ น, นอยู่ถึง7สัปดาห์ทําไมถึง7สัปดาห์เพราะว่าความตัดสรูรนั้นเป็นสุขมากเวลาเราประสบความสำเร็จอะไรเราดีใจดีใจแป๊บเดียวแต่พระพุทธเจ้าเนี่ยประสบความสำเร็จในครั้งนี้เนี่ยคือประสบความสำเร็จในระดับที่เรียกว่าจะไม่มาเกิดอีกเป็นนิพพานเลยอเพราะนั้นมันเกินกว่าที่เราจะนึกถึงว่ามันทำไมถึงต้องมีความสุขอยู่ถึงถึงเสัปดาห์ เป็นความสุขชนิดที่เรียกว่าไม่ต้องกินไม่ต้องนอนเลยนะไม่เสวยด้วยไม่บันทมด้วยเวลายืนยืนมองต้นโพนี่ยืนไม่กระพริบตาด้วยมองไม่กระพริบตาเดินจงกรมก็เดินอยู่เจ็ดวันไม่นั่งพักเลยไม่เข้าห้องส้วมด้วยไม่เข้าห้องน้ำด้วยมันมีความสุขจนเรานึกไม่ถึงความสุขที่จะบรรยายตัวนี้บรรยายไม่ได้เพราะว่า ผู้ที่จะบรรยายได้จะเป็นพระพุทธเจ้าเท่านั้นที่จะบรรยายว่าสุก ข, ขนาดไหน่านะเพราะนั้นพระอรหันต์ก็ไม่ไม่ทราบว่าสุก ข, ขนาดไหนความเป็นพระเจ้าตอนตัดสรุปน่ะสุก ข, ขนาดไหนไม่รู้จริงนะเราะนั้นองค์อื่นยิ่งไม่รู้เลยที่จะบรรยายตรงนี้ได้เป็นพระพุทธเจ้าเท่านั้นแต่ก็ประพอประมาณได้ว่าน่าจะสุขยิ่งกว่าพระอรหันต์ทั้งหลายด้ยซ้าไปเพราะว่าอยู่สเสวออยอยู่ถึงเจ็ดสัปดาห์ไม่มีพระอรหันต์องค์อื่นที่ ที่จะมาเสวยวิมุตติสุขขนาดนี้แต่พอบรรลุแล้วถึงความบริสุทธิ์อย่างเดียวกัน mm hmm. พระพุทธเจ้าพระราหารันพระปะเจกพุทธเจ้าเนี่ยมีความบริสุทธิ์คือไม่มีเกิเลตแบบเดียวกันถ้าพูดถึงความบริสุทธิ์บริสุทธิ์เหมือนกันแต่ขั้นตอนของการเสวยวิมุตติสุขเนี่ยนะจะไม่เหมือนกัน <c oughs> กับนี้เป็นกับที่เท่าไร่ครับไหนนะคนถามอยู่ไหนอ้าวกับนี้เป็นกับที่เท่าไรครับกับนี้เป็นกับที่เท่าไร่โอ้ยนับประนับประมาณไม่ได้แต่เวลาเขาเรียกชื่อกับเนี่ยนะกับไหนที่มีพระพุทธเจ้าตรัสรู้ห้าพระองค์จะเรียกกับนั้นว่าพัทธระกับเป็นกับที่น่ารักน่าพอใจพัทระแปลว่าน่าพอใจ ทำไมน่าพอใจเพราะมีพระพุทธเจ้าตัดสรุ้ถึงห้าพระองค์ซึ่งมากที่สุดกับอื่นๆเนี่ยอย่างดีก็สี่ดีน้อยหน่อยก็สามน้อยลงไปอี ก, ก็มีพระเจ้าตัดสรุ้สององค์บางกับมีองค์เดียวและหลายกับเลยไม่มีพระพุทธเจ้าตัดสรุองนั้นเวลาเราเกิดในชาติที่ไม่มีพระพุทธเจ้ามาตัดสรุ้เนี น, นะไม่มีพุทธศาสนามีแต่สอนให้งมงาย มีแต่สอนให้วนเวียนอยู่ในตวตาสงสารคนในเกิดในยุคนั้นเนี่ยจะรู้สึกว่าวังเวงนั้นชาตินี้นะเราเกิดมาพบพุทธศาสนาแล้วต้องใช้ชาตินี้เนี่ยมาเรียนพุทธศาสนาให้เต็มที่เพราะว่าพระพุทธเจ้าไม่ได้มาบ่อยๆไม่ได้ตรัสรู้กันบ่อยๆกับนี้เป็นกลับที่ดีมากเลยเพราะพระพุทธเจ้ามาตรัสรู้ถึงห้าพระองค์แต่เวลาแห่งแห่งการที่มีพุทธศาสนาก็มีอยู่นิดเดียวมีอยู่นิดเดียวนะ อย่างที่บอกแล้วว่าเวลาของกลับหนึ่งเนี่ยประมาณปีไม่ท่วนทําไมประมาณปีไม่ถ้วนก็อย่างที่เปรียบเทียบแล้วว่าหินกว้างคูณยาวคูณสูง16กิโลเมตรเนี่ยกว่าจะกว่าจะเทวดาจะร้อยปีเอาผ้ามารูปทีนึงให้มันเฮี้ยนไปในนั้นมันหลายปีเวลาของพุทธศาสนาก็มีอยู่เพียงนิดเดียวเวลาของกลับหนึ่งเนี่ยประมาณไม่ได้เลยดังนั้นถ้าเราพลาดจากชาตินี้ไปแล้วเกิดใหม่อาจจะไม่ทันไม่ทันพุทธศาสนาก็ได้ ชาตินี้เกิดทันพุทธศาสนาแล้วให้เรียนพุทธศาสนาให้เต็มที่ชาติอื่นไม่มีพุทธศาสนาให้ไปเรียนวิชาอื่นเพราะนั้นตอนนี้นะเรียนเรียนวิชาที่จะมาทำมาหากินเรียนไปแต่ทำมาหากินเพื่อให้มีชีวิตอยู่แล้วมาปฏิบัติมาปฏิบัติธรรมให้สะดวกสะดวกมาศึกษาพุทธศาสนาให้สะดวกจุดหมายจุดหมายหลักต้องมาอยู่ที่พุทธศาสนา จะเรียนอะไรก็แล้วแต่เอาว่าตามความชอบแต่ต้องไม่พลาดจากพุทธศาสนาถ้าพลาดไปแล้วเนี่ยนะเกิดชาติใหม่อาจจะไม่เจอก็ได้เหมือนกับชาติผ่านๆมาที่เราอาจจะยังไม่เจอพุทธศาสนานเนี่ยชาตินี้เราอยู่ป .4 ป .5 คุณครูพามาเรียนพุทธศาสนาอย่างนี้นะถือว่าเป็นชาติที่ดีมากเลยต้องฉวยโอกาสชาตินี้ให้ดีที่สุดนะ ต้องขอบคุณคุณครูด้วยที่อุตส่าห์พาเรามาศึกษาคําสอนของพระเจ้าในชาตินี้ตั้งแต่ตอนนี้โอกาสดีมากเลยหลายๆคนผู้ใหญ่หลายๆคนในที่นี้นะโอกาสไม่ดีเท่าเรา <c oughs> <c oughs> เราเนี่ยดีมากเลยอมตนากับคุณครูและโรงเรียนด้วยครับเ อ, อคิดว่าคุณครูคงให้สัญญาณมาว่าเดี๋ยวเด็กนักเรียนอาจจะต้องไปเรียนแล้วก็เตรียมตัวที่จะ เตรียมกิจกรรมก่อนที่จะกลับบ้านนะครับในช่วงนี้เราก็เลยอาจจะต้องกราบลาพระอาจารย์ในช่วงนี้วันนี้เนี่ย <c oughs> พระอาจารย์ไม่ได้มาเล่าเรื่องให้เราฟังเพียงอย่างเดียวพระอาจารย์มามาสอนต่อ ย, ยอดจากสิ่งที่เราได้เรียนรู้ด้วย <c oughs> นอกจากความบันเทิงหรือความสุขใจในการได้ฟังเรื่องราวของพระพุทธเจ้าแล้วก็พระโพธิสัตว์ นะครับเรายังได้ต่อยอดธรรมะจากพระพระอาจารย์ด้วยพระอาจารย์ไม่ได้เล่าอย่างเดียวแต่พระอาจารย์สอนวิธีที่เราจะเอาไปใช้เพื่อที่จะเป็นกำลังในการสร้างบา ร, รมีของตัวเราเองเหมือนกับพระมหาชนกเหมือนกับพระพุทธเจ้าแล้วก็เหมือนกับคนที่ประสบความสาเร็จต่างๆเช่นกันพวกเราเมแม้จะไม่ได้เกิดมาเจอพระพุทธเจ้าในสมัยพระพุทธเจ้าแต่ว่าเราได้ฟังธรรม ของพระสุปฏิปันโนอย่างพระอาจารย์กฤิอย่างในวันนี้เนี่ยถือว่าพวกเราก็มีบุญเช่นกันนะครับเพราะฉะนั้นอยากจะให้เอาสิ่งที่พระอาจารย์ได้สอนเราในวันนี้ไปใช้แล้วก็มีอะไรก็สอบถามคุณครูนะครับในวันนี้เดี๋ยวผมอยากจะขอเชิญคุณครูจิ๋วมากล่าวอะไรสักนิดหนึ่งกับพระอาจารย์ก่อนที่จะพาเด็กกลับห้องเรียนนะครับ จะพาชวนนักเรียนกลับขอบพระคุณพระอาจารย์เพราะว่าวันนี้เป็นเรื่องพระมหาชนกที่เราไม่เคยได้ยินได้ฝังกันนะคะแม้ว่าเราจะเรียนกันในห้องแต่ว่ามันก็มีสิ่งที่แปลกใหม่ขอให้พวกเราสงบนิ่งนะเราจะกลับลาพระอาจารย์ด้วยกันขอให้ทุกคนนั่งท่าเทพบระบุเทพธิดาและปิดวาจานะคะ ขอให้นักเรียนทุกคนระลึกถึงคุณครูบาอาจารย์ที่ได้มาสอนพวกเราในวันนี้เดี๋ยวเราจะกราบลงพร้อมกันนะคะกราบอัญชลีวันาพิว่าอัญชลีวัน เชลี่วคนขอบคุณพระคุณพระอาจารย์เจ้าค่ะเดี๋ยวให้นักเรียนเอ่อป .4 ออกทั้งสองประตูเลยแล้วกันนะคะป .5 ออกด้านหลังนะคะ ครับมีท่านไหนอยากจะสอบถามพระอาจารย์ยกมือตอนนี้ได้เลยนะฮะมีไหมครับท่านผู้ปกครองหรือครูถ้าไม่มีก็เดี๋ยวเราก็กล่าบลาพระอาจารย์แต่ว่าเดี๋ยวพระอาจารย์ก็คงกล่าวสรุปให้พวกเราฟังกันเท่าที่เหลือทเท่าที่ อยู่กันได้ก็ขอเชิญ น, นะครับออนักเออรียนป .4 นักเออรียนป .4 เราจะค่อยๆไปนะคะป .5 ด้วยนะค ะ, ะเชิญไปทีละแถวนะคะทีละแถวนะคะเดี๋ยวหยุดๆแถวแรก ว่าใช้ไม้ก็ได้มันทุกเสียเดี๋ยวเสร็จแล้วขอไฟ <c oughs> <c oughs> and I brought it to you. que no te